มาเรียนพระพุทธคุณกันต่อเลยนะตอนนี้ถือว่าเรียนพระพุทธคุณบทว่าตถาคตคําว่าตถาคตนั้นที่หมายถึงพระองค์ในตรัสรู้ธรรมะอันทองแท้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นรวมถึงอาสาธรรยานหกอาสาธารณายานหก น, นั้นถือว่าเป็นความรู้ความสามารถพิเศษนะนะ มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสาธารณายาณหกนี่ยนะข้อหนึ่งสนะองีกมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพุทธจักสุเน่ยนะถ้าที่ใดที่ว่าพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุอันนั้นให้รู้เถอะว่าหมายถึงอินทริยปรปรยัติยานและอาศยานุสยายานพระยานทั้งสองนี่แหละที่เรียกว่าพุทธจักสุ น, นะ ถ้าดูในอัตถกาถาเนี่ยจะเจอบ่อยมากที่พระองค์นี้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุกไม่มาดูย ม, มะกะปาติหาริยานยนย ม, มะกะปาติหาริยายนยานที่แสดงเป็นคู่คู่นะเอ่อแสดงปาฏิหารเป็นคู่คู่ที่แสดงเนี่ยเห็นชัดเลยก็คือแรกตรัตอนตรัสรู้นะนะประมาณ วันที่8หลังจากการตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็แสดงยงมกกปาฏิหารแล้วหลังจากนั้นที่พระองค์ไปสงเคราะห์พระญาตสงเคราะห์พระญาตที่กรุงกบิลพัทก่อนที่จะแสดงจริยาอ่าก่อนแสดงจริยาปิดอกและพุทธวงศ์พระองค์ก็แสดงยงมกกปาฏิหารและอีกที่หนึ่งก็คือที่เมืองสาวัตถีที่ควงคันดามพฤกเนี่ยนะ ในอัตกาถาคุตกะนิกายอุทานหน้าสองร้ยสามสิย่อหน้าอันหนึ่งย ม, มะกะปาิหาริยายานของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นเหตุเนรมิตเนรมิตฤทธิ์ที่ทำต่างต่างกันไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นเนี่ยนะคือไม่มีผู้อื่นทำได้แบบนี้นะอันเป็นอันทำท่อไฟและสายน้ำให้เป็นไป อย่างเช่นพระกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังหมายค่าว่าถ้าท่อไฟในพระกายเบื้องเบื้องบนสายน้ําก็จะเป็นพระกายเบื้องล่างถ้าพระกายเบื้องล่างเป็นสายเป็นท่อไฟพระกายเบื้องบนก็จะเป็นสายน้ํำก็จะสไลดบสลับกันอย่างนี้พระกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังพระเนตรข้างซ้ายข้างขวาพระกันคือหูเนี่ยนะ ด้านขวาด้านซ้ายพระนาศิกจมูกด้านขวาด้านซ้ายจงอยพระอังสาก็คือบ่าด้านขวาด้านซ้ายพระหัตถ์ข้างขวาข้างซ้ายพระปัดคือสีข้างเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระบาทคือเท้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระองคุลีคือนิ้วนะระหว่างพระองคุลีทางขุมพระโลมาท่อไฟกับสายน้าเนี่ยนะไหลไปพร้อมกับพระรสมีอนนะ รสมีมีสีหประการซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าในที่นี้พระตถาคตทำยมกะปาริหาริย า, ยานไม่ทั่วไปกับสาวกทั้งหลายคือท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนสายน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างสายน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนดังนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นพระพุทธยานนะพุทธยานหรือว่า ฤ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นการแสดงฤ์อย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่แสดงให้บุคคลตกตะลึงถึงความงงงวยอัศจรรย์ใจเล่ น, เ ล, นเล่นเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการปลูกฝังศรัทธาให้มีต่อพระองค์เมื่อเขามีศรัทธาต่อพระองค์อย่างี้ทุกคนก็จะมีใจรักมีใจมุ่งมั่นไปหาพระองค์พระองค์ก็ตรวจดูวาราจิตของเขา ตรวจดูอุปนิสัยตรวจดูวาสนาของเขาเป็นต้นพระองค์ก็แสดงธรรมตามสมควรแก่วาสนาตามสมควรแก่บุญที่เขาสั่งสมมาเมื่อเขาได้ฟังธทมด้วยจิตใจที่เลื่อมใสเช่นนั้นแล้วเขาก็มีการตรัสรู้อย่างที่แสดงย ม, มกาปาริหารที่เมืองกบิลพัทเนี่ยก็บรรุหลายโกดนะนับเป็นโกดๆเลยแหละนะเขาไม่มีว่านับหนึ่งสองเป็นต้นเนี่ย แล้วก็ตรัสรู้ที่เมืองสาวัตถีก็ตรัสรู้อีกหลายโกรธแต่ละแห่งที่พระองค์แสดงนั้น ม, มีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์นะแก่สรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้นี่มาดูพระยานอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่ที่เป็นเหตุให้เรียกพระองค์ว่ามหาการุณีโกพระผู้มพีพระผู้มีการุณา ก็คือมหากรุณาสมาบัติยานนี่แหละแล้วก็เป็นบทสวดที่เขานิยมสวดมากมหาการุณีโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวะปารมีสัพปาปโตเนี่ยเป็นต้นก็อาศัยพระมหากรุณาอันนี้แหละเป็นเหตุให้สะดุดียกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาสมาบัติยานอันเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่พระมหากรุณา อันเป็นไปโดยนัยะต่างๆด้วยความที่พระองค์ในทรงพระประสงค์จะนําหมู่สัตว์ผู้ถูกทุกขธรรมเป็นอนเนกมีราคาเป็นต้นและมีชาติเป็นต้นรบกวนให้ออกจากทุกขธรรมเหล่านั้นคือถ้าแบ่งสังเกตดูตามนี้นะว่าความทุกขของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแบ่งกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือมีราคาเป็นต้นก็หมายถึงกิเลส ท, ที่เล่นงานครอบงาำย่ำเยีความเศร้ามองทาง จิตใจกลุ่มที่สองก็คือชาติเป็นต้นเนยนะชาติชรามรณะเป็นต้นนี้พระองค์นี้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสเห็นความทุกข์ที่เป็นไปในวะะัฏฏะกรุณาก็กระตุ้นเตือนปรารถนาที่จะบำบัดทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ดังนั้นอย่างข้อความในปฏิสัมพิธามมรรคที่คัดลอกมาว่าพระมหากรุณาสมาบัติยานของพระตถาคตนี้เป็นไฉน่ คือพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายทรงเห็นด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงพระมหาจึงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในหมูสัตว์หมูสัตว์ก็พวกไหนเนาะแสดงว่าตอนตอนนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเหมือนกันเนาะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยพระองค์แผ่กรุณาให้เราแล้วพระองค์กรุณาเราว่าอย่างไรบ้าง พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตถูกไฟนี่เผาให้เร่าร้อนจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์นะถูกไฟไฟก็แบ่งเป็นสองกลุ่มมาไฟคือกิเลสกับไฟคือชาติชะรามรณะเป็นต้นมันไฟเหล่านี้แผดเผาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าโลกสันนิวาตยกพแล้วยกไปไหนยกพลไปไหน ยกไปเข็นไปฆ่ากันไปประหัสประหารกันเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะอะไรนะยกกองทัพไปนะไปเข่นไปฆ่าไปสู่แดนประหารไปประหัสประหารกันเคลื่อนพลแล้วก็ยกพลเคลื่อนพลอ่ะนะขณะเดียวกันก็ที่ไปนี่ก็ไปทางผิดนะอะไรเป็นเครื่องวัดว่าไปทางผิดก็เพราะปฏิบัติอยู่ในทางเป็นการเดินทางไปสู่นะรกเปรตอสุรกายและเดราชาน โดยมากน้อยนักะนะจะไปที่ไหนไปเพื่อเจริญกุศลกรรมบทเราจะไม่ค่อยได้ยินศัก์เท่าไหร่เนี่ยนะไปเพื่อเจริญกุศลกรรมบทเช่นฉันไปครั้งนี้นะจะไปเจริญสัมมาวาจาไปครั้งนี้จะไปเจริญสัมมาสังกัปปะไปครั้งนี้จะไปเจริญสัมมาอาชีวะไปครั้งนี้จะไปเจริญสัมมาวายามะไปเนี้ยจะไปเจริญ ทานไปเจริญศีลไปเจริญภาวนาเป็นต้นน้อยนักที่จะคิดแบบนี้โดยมากคิดอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยนะคิดอย่างอื่นมากกว่าเพราะนั่นจึงเรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยนะเดินผิดทางแล้วนะเรียกว่าปฏิบัติผิดนะนะคำว่าเดินผิดเน้นก็คือปฏิบัติผิดปฏิบัติ ด, ด้วยทุติยริทั้งหลายโลกถูกชารานําไปไม่ยั่งยืนนะก็แต่ ท, ที่เรานั่งอยู่ก็นั่งรอชะ า, าเดินรอชะ า, านอนรอชะ า, าอิรยาบทสี่ที่เป็นไปเนี่ยนะชะาเนี่ยนไปหมดเลยโลกไม่มีที่ต้านทานานะไม่มีที่ต้านทานนี่หมายความว่ า, เ, าเวลาป่วยไข่เนี่ยนะมีอะไรมาต้านทานได้บ้าง พโลกไม่มีที่ต้านทานนั้นเวลาเจ็บเวลาป่วยเป็นต้นเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานโลกไม่เป็นอิสระโดยเฉพาะเนี่ยนะโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระโดยเฉพาะอันนี้คือข้อเดียวกันหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยถ้าไม่สบายเป็นต้นเนี่ยใครที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ใครจริงๆได้ไหมป่วยแทนกันได้ไหมเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ได้ อย่างมากก็ช่วยดูแลรักษาที่เรียกว่าบำรุงผู้ไข่อันนี้ได้แต่ว่าไอ้ความเจ็บป่วยจริงๆนี้ไม่สามารถที่จะช่วยกันได้ถ้าเขาเป็นเอจจำเป็นเราต้องไปขอเชื้อเข้ามาด้วยไหมไม่จำเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆโลกไม่เป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันนี้หมายถึงว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะจะเอาอะไรไปด้วยได้ นะสมบัติในโลกนี้ก็เป็นของคนในโลกนี้แหละโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเป็นธาตุแห่งตันหาใช่ไหมรู้รู้สึกว่าพอบ้างไหมน้อยนักที่จะมีความรู้สึกว่าพอตอนแรกตอนแรกนะคิดว่าเออถ้ามีสิ่งนั้นบอกว่าพอละพอเป็นมีเข้าจริงๆเอ้มันน่าจะเพิ่มอีกนะนะมันก็จะแปลว่าเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยนะน ตอนแรกดูเหมือนจะพอเป็นแต่พอเข้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไม่เป็นเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่าโลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งปัญหาสข้อนี้เขาเรียกว่าธรรมมุเทศนะคือหนึ่งโลกอัญชะลานําไปไม่ยั่งยืนหัวข้อธรรมที่หนะึ่งะสองโลกไม่เป็นใหญ่เนี่ยนะนะไม่เป็นอิสระก็คือไม่มีอะไรต้านทานหมายถึงความเจ็บป่วยสโลกไม่เป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็คือตาย 4. โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัญหาสข้อนี้เขาเรียกว่าธรรมุเทศธรรมุเทศสี่ข้อนี้แหละที่ทำให้พรัฐบาลรัฐบาลกุลบุตรฟังธรรมุเทศของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยออกบวชนะออกบวชแล้วก็ปฏิบัติอยู่ไม่นาน12ปีเองก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปโลกไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีเกเลน ไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใครนะเราหาที่หลบหาที่หลีกหาที่พึ่งหาหาอะไรมาพึ่งเพื่อจะได้ไม่แก่ไม่ตายเนี่ยทําได้ไหมทํำยังไงเราจะได้พ้นจากความแก่และความตายหลบไปอยู่ตรงไหนดีเนาะไ ป, ไปหาอะไรนะไปอยู่ขุดล้มอยู่หรือเนี่ ย, ยขุดเมืองบาดาลอยู่หรือวันนี้ไปอยู่ณนะจุดใดนะจะได้พ้นจาก อขออภัยจะได้เป็นที่เร้นจะได้เป็นที่พึ่งจะได้เป็นที่หลบอ่ะนะสัตว์โลกเนี่ยฟุ้งซ่านไม่สงบฟุ้งซ่านก็ฟุ้งจริงๆงอ่ะนะก็นั่งแล้วก็คิดไปเรื่อยหาความสงบนี่หายากเหลือเกินไอ้คำว่าฟุ้งเนี่ยมันก็แปลประกาศถึงความทุกข์ของหมูสัตว์เนี่ยมันทุกทุกจนเรียกว่าหาความสงบความประนีตความอิ่มอยู่ในตัวนี้ไม่มีเลย โลกสันนิวาสนี้มีลูกศอนถูกลูกศอนคือกิเลสเสียบแทงเอาไว้อั น, นความเศร้ามองที่เสียบแทงอยู่ในใจเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับอักเสบภายในใจนะเป็นใจที่อักเสบอยู่ตลอดเวลาถ้าร่างกายอักเสบเขาเรียกว่าบอบช้ําใช่ไหมถ้าใจอักเสบล่ะเป็นยังไงเนี่ยใจที่อักเสบนั่นแหละที่เรียกว่ากิเลสมันเล่นงานนะฮะทั้งกิเลสเนี่ยถ้าแปลแบบนี้หน่อยก็แปลว่าจิตใจมันอักเสบตลอดเวลา ทำยังไงนะจะได้บรนเทาใจจะเลิอกอักเสบสักทีคุณหมออย่าเพิ่งหลับสิแล้วก็ถูกลูกศรมีความมืดคืออวิชานี่เป็นตัวกลางกั้นอ น, นะอวิชานี่มันกลางกั้นอวิชากั้นทำกั้นอะไรบ้างรวมรวมเลยกั้นไม่ให้เจริญกุศลกั้นให้ไปทำอกุศลได้ยา ว, ยาว กุศลเนี่ยให้เจริญน้อยๆหน่อยอกุศลทําให้มากๆหรือไม่ให้ทำอกุศลไม่ให้ทํากุศลเลยนั่นแหละคืองานของอวิชชาสัตว์โลกนี้ถูกขังไว้ในกรงคือกิเลสถูกขังไว้ในกรงคือความเศร้ามองเนี่ยนะโลกสันิว่าตกอยู่ในอวิชชาเป็นดุดคนตาบอดถูกกิเลสนี้หุ้มห่อไว้ยุ่งเหมือนเส้นได้นงนางดังญ้าปล้องและญ้ามุงกระตาย ชีวิตมันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนจริงๆอะนะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสับสนโอโลเวงแล้วก็ในท่ามกลางหมู่คนที่สับสนก็ไปเจอแต่คนที่สับสนมันก็เลยยุ่งกันไปหมดเลยนะช่วยกันทําให้ยุ่งยุ่งยุ่งยิ่งยุ่งเลยพันพอยุ่งยุ่งอย่างนี้ก็ยุ่งด้วยความชั่วนั่นแหละก็เลยหาล่วงพ้นอบายทุคติวินิบาตและสังสารวัตรไปได้ไหมก็เฝ้าขันทาอัจฉริยะอยู่นี่แหละ ถูกอวิชชาเนี่ยเป็นต้นรัดรึงเอาไว้เป็นผู้เกลือ ก, กลั้วด้วยกิเลสอันความยุ่งคือราคะโทสะและโมหะทําให้นงนางหมดแล้วนะราคะนี้เป็นเหตุให้ยุ่งจริงๆเลยนะโทสะก็เป็นเหตุให้ยุ่งยิ่งความหลงนีง่ยิ่ ง, งยิ่งหลงนี่ยิ่งยุ่งก็เลยนงนางไปหมดเลยนะเรียกว่าอินนงตรงนางเต้นไปหมดเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้จะแก้นะตรงไหนไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงเออขึ้นต้น เริ่มต้นที่ไหนลงอย่างไรอะไรยังไงไม่เห็นเบื้องต้นข้ามกลางที่สุดแม้แต่อย่างเดียวพระพุทธเจ้ามองเราทั้งหลายนี้ได้อย่างทะลุโ ป, ปร่ปรงหมดเลยนะเรียกว่าพระองค์นีร่รู้จักเราเนี่ยมากกว่าเรารู้จักเราทั้งที่เรานี่อยู่กับตัวเองตลอดแต่เราไม่รู้เลยปัญหาของตัวเองนี่เป็นยังไงชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์นี่มองเห็นชีวิตของเราทั้งหลายอย่างทะลุโ ป, ปร่ปรองอย่างนี้พระองค์ก็ได้แต่กรุณานี น, นะ หวังว่าจะนําความทุกข์เหล่านั้นออกให้หวังว่าจะนําความทุกข์เหล่านั้นออกให้แต่ก็ไม่ง่ายหรอกอันน้นการที่จะเอาความทุกข์ออกจากผู้อื่นเนี่ยไม่ง่ายใช่อย่างคิดง่ายๆถ้าเขาไม่สบายใจเนี่ยเราพูดยังไงให้เขาสบายใจเนี่ยพูดง่ายไหมยิ่งเรื่องที่เขาลําบากใจและเป็นเรื่องใหญ่มากเลยไปช่วยเขายังไงให้เขาสบายใจสมมุทัญาตเขาตายเราไปพูดว่ายังไงบอกเฮ้ยธรรมดาคนเราเกิดแก่เจ็บตายพูดแค่นี้เขาจะสบายใจหรือไม่ง่ายนะเนะ อย่างเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะไปพูดให้เขาสบายใจนี่จะไปพูดว่าอย่างไงแล้วเขาเสียหายเนี่ยนะเสียเงินเสียทองเป็นต้นเนี่ยถูกปล้นถูกโกงไปเราจะไปพูดยังไงให้เขาสบายใจอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วถ้าเขาถูกกิเลสเล่นงานเราจะไปพูดยังไงไม่ให้กิเลสมันรบกวนใจของเขานั้นสัตว์โลกนั้นไม่ใช่จะช่วยได้ง่ายๆนั้นทั้งยุ่งด้วยทั้งเดือดร้อนด้วยทั้งทุกข์ด้วยพระองค์ก็กรุณานะ แต่วิธีที่จะแก้ปัญหาได้เด็กขาดก็คือการแสดงธรรมให้เขาฟังอ่ะนะต่อเมื่อเขามีบุญมีวาสนามีอุปนิสัยเขาได้ฟังธรรมแล้วนั่นแหละจึงจะช่วยเขาพอช่วยได้บ้างน่นะแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนที่เขาไม่สบายใจจริงๆเนี่ยไปพูดธรรมะนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์จะต้องพูดตอนตอนที่ค่อนข้างสบายใจหน่อยนะตอนหลังไม่สบายใจยังพอนึกถึงธรรมะได้บ้างหลายคนขอเรียนธรรมะตอนไม่สบายใจ จะเข้าใจสักเท่าไหรน่น้อเนี่ยนะหมายถ้าว่าป่วยก่อนแล้วค่อยทำงานจะได้เรื่องอะไรนี่ต่อไปโลกสันนิวาสเนี่ยถูกกองตันหานี่สวมเอาไว้แสดงเคยเห็นสุนัขถูกสวมคอแล้วถูกลากถูกดึง ไ, ไหมหรือพวกสัตว์ที่ถูกอะไรสวมคอแล้วดึงไปฉันใดพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะไปที่ไหนเนี่ยตันหามันดึงไปนะนะไปเที่ยวไปไปตามที่ต่างๆก็ถูกตันหานี่มันฉุดมันดึงไป มันดึงตามทาวารต่างๆนะดึงทาวารตาให้ไปดูดึงทาวารหูให้ไปฟังเนี่ยมันดึงไปถูกตาข่ายคือตันหานี่ครอบคลุมเอาไว้ถ้าพวกที่เอาตาข่ายดักปลาเนี่ยจะเห็นชัดว่าปลาทั้งหลายเนี่ยที่ถูกวงตาข่ายล้อมเอาไว้ออกไปไหนก็ไปไม่ได้ลอยไปตามกระแสแห่งตันหากระแสตันหานี่พัดพาไปประกอบด้วยตันหาสังโยน์ซ่านไปตามตันหานุใส เดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตันหาเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิถูกโครงร่างคือทิฏฐิสวมไว้ถูกคกายคือทิฏฐิครอบคลุมเอาไว้ลอยไปตามกระแสทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ซ่านไปตามทิ่ฐานุสัยเดือดร้อน hours, ด้วยความเดือดร้อนเพราะทิฏฐิเร่าร้อน hours, ด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิเนี่ยนะไอ้ทิฏฐิคือทิ่ถูกปาทานเนี่ยนะไอ้ความสําคัญว่าเป็นตนเป็นข อ, ของของตนเนี่ยยิ่งใหญ่มาก ตันหาก็พาเพลินทิฏฐิก็พาสาคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราทั้งตันหาทั้งทิฏฐินี่ก็พาให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนอั น, น, นเดือดร้อนเร่าร้อนแค่ไหนล่ะก็เหตุการณ์ในโลกนี้เนี่ยนะไอความที่เราอาจจะมองชีวิตแค่ตัวเองก็ได้แต่ถ้ามองชีวิตโดยรวมของโลกนี้โลกนี้เป็นโลกที่สบายนักหรือเป็นโลกที่มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไห เข้าไปเถอะตำแหน่งไหนของโลกไปอยู่แล้วมีความสุขจริงเราเราคาดเดาวนะว่าตรงนั้นคงจะสบายตรงนี้คงจะดีไปเถอะใครไปพบบ้างมันสบายจริงๆเลยนะมันดีจริงๆเลยไปเถอะถ้าขอมาก็มีแต่ตอนเจริญกุศลเนี่ยแหละดูจะสบายดูจะดีกว่าอย่างอื่นนะนะถ้าเป็นปกติทุกตำแหน่งในโลกนี้ว่าเห็นก็มันเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะไปอยู่ที่ไหนก็ชาติชรามรณะไปหมดกิเลสก็เล่นงานตามเดิมเลยนะ มันโลกเนี่ยมันจึงถูกไอตันหากับทิฐิเนี่ยมันทําให้ให้เดือดร้อนโดยเฉพาะแม้กระทั่งวันในน้ำเนี่ยนะพวกน้ําเย็นๆ เ, เนี่ยพวกล้างบาปก็ไปอาบน้ําเย็นอยู่นั่นแหละร้อนๆ อ, อย่างเงี้ยนะพวกที่ต้องประกอบอาชีพเนี่ยนะอย่างอากาศร้อนๆ อ, อย่างเงี้ยถามว่ายอมว่าคนสบายสักเท่าไหร่ไหมคนตากแดดก็อยู่ในร่มไหนมากกว่ากันทั้งโลกเลยเนะคนตากแดดเร่าร้อนเนี่ยมีมากกว่าร้อนระอุอยู่นั่นแหละ ร้อนข้างนอกแล้วก็ร้อนข้างในใจนี่มันพาร้อนก่อนก็เลยไปตากแดดที่เราร้อนเนี่ยนะโรกสันนิวาถูกชาติติดตาม น, นะชาตินี่มันตามไปทุกคนทุกแห่งใช่ไหมเชราก็รัดตรึงรัดเอาไว้พญาที่ก็ครอบงำพญาที่ก็ครอบงำซะจนหมดเรี่ยวหมดแรงไนงะมรณะก็เข้าไปตัดคอหันเลยก็เลือกหันได้ตามเต็มที่นะ ก็เลยตกอยู่ในกองทุกมันไม่ใช่กองทุกมันไม่ใช่ทุกอันเดียวนะมันกองจริงมันเป็นกองถูกตันหานิฉุดไปห้อมล้อมด้วยกําแพงคือชราไปตรงไหนจะพ้นใช่ไหมเพราะถูกคุกคือชราเนี่ยล้อมไว้เสร็จแล้วถูกบ่วงมัดจุราชนี้คล้องคอเอาไว้แล้วก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับที่เขาไปล่าสัตว์มาจากป่าใช่ไหมเขาก็คล้องเอาไว้รอวันประหารถูกเครื่องจองจําใหญ่เนี่ยมัดเอาไว้ถูกเครื่องมัด คือราคะมัดเอาไว้ถูกโทสะมัดไว้ถูกโมหะมานะทิกิเลสและทุติยริษเนี่ยผูกพันเอาไว้เสร็จแล้วก็พากันเดินไปในทางที่แคบมากทางแคบเนี่ยนะทางไปอบายทุกขติวิบัตินรกจริงๆแล้วเป็นทางที่แคบมากจะต้องคอยหลบหลบหลีกๆลีกนะถ้าว่าจริงๆเนี่ยไปทําบุญเนี่ยนะก็เดินไปอย่างสง่าพาเผยแต่ถ้าจะไปทําบาปเนี่ยต้องค่อยๆหลบค่อยๆหลีกไปใช่ อากุศโอนเนี่ยรรเนี่ยจะต้องคอยหลบคอยหลีกหาช่องหาจังหวะหาโอกาสซึ่งถือว่าเป็นทางแคบเวลาไปเกิดเป็นเด ร, รชาลก็อยู่ในโลกที่คับแคบนี่นะถูกเครื่องพัวพันเนี่ยมากมายพัวพันเอาไว้ตกไปในเหวใหญ่เหวคือชาติชราและมรณะนี่นะเดินไปตามทางกันดานมากเช่นในโลกนี้พื้นผิวทะเลทรายนี่เยอะ นะกันดารเพราะทะเลทรายเนี่ยอย่างทวีปแอฟริกานี่นะก็โดยไม่ค่อยเห็นมีต้นไม้สักเท่าไหร่เลยนะทั้งทวีปโดยรวมๆแล้วเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ถ้าอุดมสมบูรณ์จริงคนคงย้ายไปเยอะแล้วนะทวีปแอฟริกานี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ทวีปอุดมสมบูรณ์อะไรพรนันธุโลกที่ที่ร้อนระอุ ก, กันดารเพราะขาดอาหารเนี่ยมีมากนะก็อย่างที่นักวิจัยบางท่านก็บอกว่า ต่อไปเนี่ยทะเลทรายมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประชาชนจะขาดอาหารเป็นพันล้านคนก็แสดงว่าโลกต่อๆไปเนี่ยมันจะมีแต่เดือดร้อนขึ้นเดือดร้อนขึ้นแล้วก็เดินทางไปสู่ที่กันดารมากเดินไปในมหาสงสารมหานี่ก็ใหญ่ะนะสงสารก็คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปแล้วก็กลับตกลงไปในหลุมลึก ลิกขนาดนายโน่นอ่ะเอเวจีเป็นต้นโลกาตนาโรกไปถึงโน่นนะกลิ้งเกลือนอยู่ในหลุมใหญ่คือวตตะเนี่ยนะโลกสันนิวาสถูกห้มหั่นลุกชนไปด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะชาติชรามรณโะโศกาปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตโลกสันนิวาสเนี่ยทุรนทุรายเดือดร้อนไม่มีอะไรต้านทานอยู่เป็นนิดเคือเห็นคนที่กระสับกระส่ายไหยนั่นแหละ ต้องรับอาดยาอาตยาหมายถึงว่าต้องรับตามความชั่วของตัวเองตัวเองเคยทำชั่วเช่นใดไว้ก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะความชั่วที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ต้องกระทำตามอาดยาคือผลของความชั่วเนี่ยนะถูกเครื่องผูกคือวัตตะผูกมัดเอาไว้ปรากฏที่ตะแลงแกงที่ไหนปรากฏที่ตะแลงแกงก็คือแดนประหารลานประหารชีวิต แล้วในโลกนี้ตรงไหนไปอยู่แล้วมันพ้นจากการประหารมั้งไปอยู่ตรงไหนที่พ้นจากความตายมีไหมไม่มีเพรา ะ, ะสัตว์โดยมากถือว่าปรากฏอยู่ที่ตะแรงแกงหมดโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งควรได้รับกรุณาอย่างยิ่งนะถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็บอกว่าเขาตกอยู่ในกองทุกข์ถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยเขานี่ถูกตันหาฉุดไปถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าท่าพิสดารในปฏิสัมพิธามักจะขยายขนาดนั้นแต่นี้ก็ปรากฏผููแต่ความทุกข์ที่มีอยู่ของหมู่สัตว์โลกสันนิว่าสนี่ถูกทุกข์ครอบงำถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลนานติดใจกระหายอยู่เป็นนิดเป็นโลกที่มืดไม่มีปัญญาจักสุไม่มีธรรมะจักสุที่จะเห็นอริยสัจมีในตาคือปัญญาที่จะเห็นอริยสัจนี่ถูกทําลายลง ขณะเดียวกันก็เป็นโลกที่ไม่มีผู้นาออกจากวัฏฏทุกเนี่ยนะอะ่คือผู้ผู้นำไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีมีแต่ผู้นำไปสู่ชาติชราและมรณะเนี่ยนะก็เลยพากันเล่นไปผิดทางเพราะปฏิบัติอยู่ในมิจฉามักเดินหลงทางคือหลงจากสัมมามัจไปติดข้องอยู่ในมิจฉามัจเล่นไปในห่วงโอคะคือห่วงน้ำใหญ่กามโมคะเป็นต้นก็าพาดไป ถูกมิจฉาทิฐิสองอย่างกลุ่มรุมนะนะบางครั้งก็ตกไปสัสตตะบ้างบางครั้งก็ตกไปอุเฉทาบ้างบางครั้งก็ถือว่าเที่ยงบางครั้งก็ถือว่าศูนย์แล้วก็ปฏิบัติผิดด้วยทูจริตสามทำความชั่วทางกายวาจาและใจถูกโยคะสี่ประกอบไว้กามโยคะเป็นต้นประกอบเอาไว้ถูกคันถะคือเครื่องร้อยรัดร้อยเอาไว้ถูกอุปาทานสี่ยึดเอาไว้แน่น วุ่นวายไปตามนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดากำหนัดด้วยรูปสวยๆเสียงเพาะๆ เ, เป็นต้นเรียกว่ากามคุณห้าถูกนิวรณ์ห้าเนี่ยครอบคลุมเอาไว้โต้เถียงกันด้วยวิวาทมูลหกไงนึกว่าเดือดร้อนกันหมดแล้วนึกว่าจะอยู่สบายใช่ไหมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างนั้นไหมทุกคนเดือดร้อนหมดนะแต่ว่ามันทะเลาะกันเองด้วยนี่สิกำหนัดด้วยตันหาหมู่หตันห า, ายาเนี่ยนะกันหาตามทวาร ต, ต่างๆก็ไหล ตันหาเหล่านี้ก็กลุ่มรุมสร้างไปตามอนุสัยเจ็มันทำให้ดิ้นร้อนรนกระวนกระวายเลยนะประกอบด้วยสังโยชน์เจ็ฟูขึ้นพองขึ้นด้วยมานะเจดหมุนไปตามโลกกระทำแปดได้รับลาบเสื่อมลาบยศสันเสริญเสื่อมยศถูกนินทาได้รับความสุขความทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดิ่งลงเพราะมิ ช, ชตะคือข้อปฏิบัติผิด8ประการ ปทุสร้ายกันด้วยบุรุษโทษ8ประการผูกอาคาตกันเนี่ยนะพยาบาทผูกเวรแก่กันและกันด้วยอาคาแต่ว่าถูกก้าวไอ้คนโน้นเคยด่าเราคนโน้นเคยทําความเสียหายให้แก่เราคนโน้นจักทาความเสียหายให้แก่เราก็เลยผูกเวรกันอยู่นั่นแหละฟูขึ้นพองขึ้นเพราะมานะ9กําหนัดด้วยธรรมะอันมีตันหาเป็นมูล9้าเศร้ามองไปด้วยกิเลสวัตถุ10บประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10 ถูกสังโยชนิสิบเนี่ยประกอบเอาไว้ดิ่งลงด้วยข้อปฏิบัติผิด10ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบปฏิเสธบุญบาปเป็นต้นประกอบด้วยส ก, กายทิฐิมีวัตถุมีธรรมีทเครื่องเนิ่นชา้าด้วยทำเครื่องเนิ่นชา้าคือตันหาร้อยถูกทิถฐิหกกลุ่มรุมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นดังว่ามานี้จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์ เห็นสภาพเป็นจริงของชีวิตจิตใจของหมู่สัตว์หมดเลยนะเห็นว่าสภาพที่เป็นจริงของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรร่างกายจิตใจของเขาเป็นอย่างไรชีวิตของเขาดําเนินไปโดยประการใดๆพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยพระองค์ก็พิจารณาว่าเราเป็นผู้ข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้เช้าเย็นเช้าเย็นในพระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้เลยนะเช้ามืดก็คิดละบ่ายๆก็คิดอย่างนี้ละคิดแล้วเราข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้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 สรุปและไอ้สิ่งที่เป็นความดีเป็นความพ้นทุกเนี่ยเราทั้งหลายยังถือว่ายังพลาดโอกาสเหล่านั้นอยู่หมดเลยใช่ไหมพระองค์ก็คิดถึงพระองค์นะตอนนั้นนะกรุณากระตุ้นเตือนพระองค์ว่าเราสามารถข้ามได้แล้วทั้งยังสัตว์โลกให้ข้ามได้ด้วยพระองค์ก็พาสัตว์โลกข้ามไปเยอะเนี่ยนะเราหลุดพ้นแล้วทั้งสามารถยังสัตว์โลกให้หลุดพ้นได้ด้วยเราฝึกตนแล้ว สามารถยังสัตว์โลกให้ฝึกตนได้ด้วยเราสงบแล้วทั้งสามารถยังสัตว์โลกให้สงบด้วยเราโล่งใจแล้วทั้งยังสามารถให้สัตว์โลกโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วทั้งสามารถยังสัตว์โลกให้ปรินิพานได้ด้วยะนะซึ่งกิจเหล่านั้นพระองค์ก็ทําสําเร็จนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นดังว่ามานี้จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปนในหมูสัตว์ พระองค์ทรงกระทําการจำเนกโดยอาการเก้าบแปดอย่างด้วยประการชนิดแปดสิบเก้อย่างพระพุทธเจ้านี้มีพระมหากรุณาแผ่ไปอย่างนี้เนี่ยชาวเย็นและเข้าระดับฌานด้วยนะไม่ใช่แผ่ไปสักแต่ว่าสัง อ, อะไรนะกรุณาแล้วใจเศร้าไม่ใช่พระองค์เนี่ยใจที่ผ่องใสมีกรุณาที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นกรุณาระดับอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานและ ตติยชาเนี่ยนะรุณาอันนี้แหละที่พระองค์เนี่ยแผ่ไปยังหมู่สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นมหากรุณาสมาบัติยานเป็นอาสาธารณะยานข้อที่สของพระองค์ส่วนอาสาธารณะยานข้อต่อไปคือสัพพัญยุตยานและอนาวารณญานสัพพัญยุตยานนี่แหละเขาเรียกว่าสมันตะจักสนะุดวงตาโดยรอบเขาเรียกว่าตาโดยรอบของพระพุทธเจ้า ก็พระยานใดของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีประมาณเท่าใดที่จะพึงรู้ด้วยธรรมธาตุมีประมาณเท่าใดไม่มุ่งถึงการอ้างผู้อื่นคือพระพุทธเจ้าไม่ต้องอ้างใคระนะสามารถตรัสรู้ธรรมทั้งปวงทั้งที่เป็นสังคตะและอสังคตะเป็นต้นโดยอาการทั้งปวงไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นอันเป็นไปเนื่องด้วยเหตุเพียงอวัชนะพระองค์แค่นึกถึงนก็รู้หมดเลยนี่ชื่อว่าสัพพัญญตยาน สภัญยุตยานรู้อะไรคืออย่างรู้สังคตะธรรมอสังคตะธรรมสมมุติและสัตสมมติและสัจจะได้อย่างเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงไอการที่สามารถรู้โดยโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละเรียกว่าสภัญยุตยานท่านเรียกว่าอนาวารณญาณเพราะถือเอาความเป็นไปโดยไม่ขัดข้องโดยไม่มีเครื่องกลางกั้นในญาณ น, นั้น หมายความว่าประสงค์จะรู้เมื่อใดที่ใดอย่างไรก็รู้ชัดโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางยานที่เป็นไปโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางมากัน้นอย่างนี้แหละเรียกว่าอนนาวารณายา น, นี่นะอาววรณานี่แปลว่าอะไรนะอาวารณะเครื่องกลางกาั้นนะอาววรณธรรมก็คือธรรมที่เป็นเครื่องกลางกาั้นนี่ก็เหมือนกันอนนาวารณายานก็คื อ, อยานที่ไม่มีอะไรกลางกาั้น ไม่ถูกครอบเอาไว้นะไม่ถูกคลุมเอาไว้ไม่ถูกสกัดจุดะนะก็พระยานนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะนะจริงๆสัพพัญยุตยานอนาวรณญาณก็คืออย่างเดียวกันเนี่ยแต่แสดงไว้สองอย่างเพื่อแสดงสภาวะที่ไม่ทั่วไปกับยานอื่นโดยความเป็นไปแห่งอารมณ์เป็นประธาน เมื่อว่าโดยประการอื่นสัพพัญญุตยานและอนาวรณายานจำต้องทั่วไปและมีธรรมะทั้งหมดเป็นอารมณ์คำนั้นไม่ถูกด้วยยุตินี้ก็จริงถึงกระนั้นนะที่ถูกจริงๆ ก, ก็คือชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สังคตะธรรมอาสังคตะธรรมโดยสิ้นเชิงไอความรู้สังคตะอสังคตะนี่แหละชื่อว่าอนนาวรณายานเพราะไม่ขัดข้องเออเพราะความขัดข้องไม่มีในยานนั้น หมายความว่าประสงค์จะรู้สังขตาก็รู้ทันทีประสงค์จะรู้อสังขตะก็รู้เลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะรู้ธรรมทั้งปวงที่เป็นอดีตอนนาวรณญาณเนี่ยก็คือทําให้รู้อดีตโดยไม่ติดขัดชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะรู้อนาคตรู้ปัจจุบันชื่อว่าอนนาวรณญาณก็เพราะทําให้ไม่ขัดประสงค์จะรู้อนาคตก็รู้ทันทีประสงค์จะรู้ในปัจจุบันตําแหน่งใดก็รู้ได้โดยทันทีเนี่ยนะ ในอาสาธารรยายนหหนึ่งอะไรบ้างนหะนึ่งนึอินทรียปโปรปรยิยตยาน 2. อาสยานุสยายาน 3. ามนะอะไรนะยมะกะปติหารรยยาน 4. มหากรุณาสมาบัติยาน 5. สัพพายุตยาน 6. อนาวรณายานพระยานทั้ง6ประการนี้เรียกว่าอาสาธารณยาน6 คือไม่ทั่วไปแกเหล่าสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้ชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอารมณ์ของตนให้คลาดเคลื่อนโดยเป็นไปตามอาการไม่ผิดแผก ด, ด้วยประการชนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะอะไรเพราะมีสับมีอาสาธารณนายทั้ง6ประการเหล่านี้ ทั้ง6ประการเนี่ยนะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนามากไอ้คาว่าปรารถนาไม่ใช่เป็นชื่อของตัณหาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีฉันทะอย่างแรงกล้าบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่ออาสาธารณะ6ประการนี้อาสาธารณะทั้ง6ประการนี่แหละที่ที่สามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้แต่โดยทั่วๆไปจะอ้างสัพพัญยุตยานจริงก็หมายถึงอาสาธารณะยานหนั่นแหละ อันนั้นว่าทรัพสมบัติเราก็รกักไม่ใช่ไม่รกักแต่ว่ารักสัพพัญยุตยานมากกว่าใช่ไหมอย่างอื่นท่านก็หวงแหนทรัพท่านก็ท่านก็หวงแหนนะท่านก็สะสมเหมือนกันแต่ว่าท่านสะสมสัพพัญยุตยานมากกว่าคือต้องการสัพพัญยุตยานยิ่งกว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยรักสัพพัญยุตยานมากกว่าดวงตาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่นะเพราะว่าสัพพัญยุตยานเป็นต้นสามารถช่วยให้สงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ นิพพงยังมีพระยานต่อไปอีกคือยานอันประกาศสัมโพธชงของพระผู้มีพระภาคเจ้ายานที่ประกาศสัมโพธชงของพระองค์เนี่ยนะเป็นไปโดยอาการต่างๆอย่างนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องโพธชงเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะว่าโดยสรุปกลุ่มที่หนึ่งเนะี่โพธชงโดยสรุปทั้งหมดมีเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายโพธชงเจ็ดเหล่านี้คือ สติสัมโพชฌงธรรมะวิจยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง์ปีติสัมโพชฌงปัสสัททิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงนะนี่เรียกว่าว่าโดยสรุปว่าโดยสรุปนั้นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้มีเจ็ดประการเมื่อว่าโดยสามั ญ, ญลักษณะคือโดยทั่วไปเนี่ยนะโดยโดยความหมายทั่วไปก็คือธรรมะสามคัคคีทั้งเจดประการเนี่ยนะต่างโดยสติเป็นต้น อันเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปัทถวะคืออุบาตหลายประการถ้าถ้าได้ธรรมะสามัคคีเหล่านี้ถ้าเขาประชุมกันเมื่อไหร่นะเขาสามัคคีกันเมื่อไหร่ก็จะกำจัดความหดหู่กำจัดความฟุ้งซ่านกำจัดความตั้งมั่นด้วยกิเลสกำจัดความพยายามด้วยกิเลสกำจัดการมสุขลิกานุโยกกำจัดอัตตกิลามัถานุโยกกำจัดการยึดถือด้วยอุเฉทธิฏฐิหรือสัสตทิฏฐิ อันเกิดขึ้นในขณะแห่งโลกุตระมักงนั้นถ้าโพชอชงเขาประชุมรวมการเกิดขึ้นในขณะโลกุตระมักได้กำจัดความเอ่อกจัดอุปาธวะได้มากมายดังกล่าวไปหรืออีกในหนึ่งะนะที่เรียกว่าโพ่อชงเพราะอะไรเพราะอริยสาวกย่อมตื่นคือลุกขึ้นจากกิเลสนิทราติ่นจากความหลับคือกิเลสแล้วมารู้แจ้งอริยสัจสหรือทาให้แจ้งเฉพาะพระนิพพาน พันถ้าหากว่าโพ่อชองประชุมกันเมื่อไหรตื่นทันทีเลยนะเลิกหลับเลิกงัวงเงียเลิกงุนงงละก็รู้แจ้งสัจจะสี่กระทําให้แจ้งพระนิพานเนี่ยนะเมื่อไรนะโพชอชองเกิดเนี่ยนะพ่อชองเกิดตอนบ่ายๆมันก็ไม่ค่อยง่วงใชมันธรรมะสามัคคีนี่แหละที่จะเป็นองค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะชื่อว่าโพ่อชองนี้เพราะเป็นองค์แห่งธรรมะสามคัคคีเครื่องตรัสรู้ ถ้าอยากตรัสรู้ปราทาบนบรรลุก็ปรารถนาให้เจริญโพชงเจ็ดให้สมบูรณ์อันหนึ่งพระอริยาสาวกท่านเรียกว่าโพธิเพราะกระทาอัตถวิเคราะห์ว่าตรัสรู้ด้วยธรรมสามาคัคคีคือโพชงเจ็ดดังกล่าวแล้วชื่อว่าโพชงเพราะเป็นองค์แห่งอริยาสาวกผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยอะไรด้วยธรรมสามัคคีนั้นนะ มันถ้าใครประสงค์จะตรัสรู้ปรารถนาบรรลุก็ปรารถนาให้โพธิชงทั้ง7เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์นะเ ค, เคยเจริญเมตตาให้ตัวเองนะว่าขอให้ข้าพเจ้าเจริญสติสัมโพธิชงได้บริบูรณ์ขอให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพธิชงได้บริบูรณ์ขอให้อริยาบททั้ง4ี่เป็นไปกับโพธิชงเจ็รับอารมณ์ทุกอารมณ์ก็ให้เจริญโพธิชงได้หมดเลยเนี่ยนี่น่าจะมีเมตตาอย่างนี้ก็รู้ว่าดีใช่ไหมทำไมไม่เจริญให้ตัวเองมีขึ้นล่ะ ก็ตั้งเจริญเมตตานะปรารถนาให้หรือว่าอะไรนะกรังเกียจความสุขนักหรื อ, อยังไงจรึงไม่เจริญให้ตัวเองมีคุณธรรมเหล่านี้นะก็น้าตั้งความปราถ น, า, นาเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตั้งควรตั้งอ่ะนะตั้งอัตตสัมมาปณิทิตตั้งความปราถนาให้มีโพชฌงเหล่านี้เจริญงอกงามและบริบูรณ์ทีนี้ถ้าโพชฌงแต่ละอย่างเมื่อว่าโดยลักษณะพิเศษ ลักษณะพิเศษของโพชฌงเฉพาะอย่างว่าสติสัมโพชฌงนี้มีการอุปทานะเนี่ยนะการปรากฏเป็นลักษณะสติปรากฏว่าอย่างไงอ่นะสติที่เป็นสติประธานก็ปรากฏโดยอสุภะปรากฏโดยทุกข์ทุกขลักษณะนะปรากฏโดยอนิจจาลักษณะและปรากฏโดยอนัตตลักษณะนั่นเองธรรมวิจยสัมโพชฌงล่ะ มีการสอดส่องวิจัยเลือกเฟ้นเป็นลักษณะเนี่ยนะวิจัยเพื่ออะไรวิจัยเพื่อให้รู้แจ้งสัจธรรมสี่ประการวิจัยแล้ววิจัยเล่าจนกว่าจะแทงตลอดสัจธรรมทั้งสประการวิริยะสามโพชงมีการประคองไว้เป็นลักษณะประคองอะไรประคองสมถะสตินี่เป็นสมถะนะธรรมวิจยะเป็นวิปัสนาประคองสมถะวิปัสนาเนี่ยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำด้วยความง่วงง่ายเลยใช่ไหมยังไงปีติเกิดสิเนาะถ้าเจริญถูกต้องเนี่ยปีติแผ่ทราบซ่านอิ่ม อ, อกอิ่มใจนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผลก็คือความอิ่ม อ, อกอิ่มใจเนี่ยนะปัสธาก็คือความสงบประ ง, งับดับความกวนกวยทั้งร่างกายและจิตใจสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะจิตก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาก็ ถือว่าเป็นไปด้วยดีคือพิจารณาแล้วก็เป็นไปด้วยดีทีนี้ต่อไปโพชฌงนั้นเมื่อว่าโดยการแสดงความเป็นไปในขณะเดียวกันโดยเป็นอุปการะแก่กันและกันแห่งโพชฌงเจ็ดโดยในเป็นต้นว่าในโพชฌงเหล่านั้นเนี่ยนะสติสามโพชฌงนี้เป็นไงภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้ระลึกได้ตามระลึกได้ถึงกรรมที่ทำไว้นานตามระลึกได้แม้คําที่พูดไว้นานอันนี้เป็นลักษณะของสติสามโพชงคือระลึกระลึกถึงสิ่งที่ทำคําที่พูดทั้งกายวิญญาตองค์ประกอบของสังขารธรรมเหล่านั้นในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยรอบรู้ไปหมดระลึกได้หมดเลยไม่เบลอไม่เลอะเลือนธรรมวิจยะสัมโพชงก็วิจัยเลือกเฟ้นไปตามที่สติระลึกแล้วนั่นแหละ ทีนี้เมื่อว่าโดยการแสดงความเป็นไปโดยการจำแนกอารมณ์แห่งโพดชงเหล่านั้นโดยนายเป็นต้นว่าโพชชงเหล่านั้นสติสัมโพดชงเป็นไนเมื่อทำทั้งหลายมีอารมณ์ภายในก็มีเมื่อทำทั้งหลายมีอารมณ์ภายนอกก็มีหมายคาว่าเจริญสติสามโพดชงพิจารณาอารมณ์เป็นภายในเจริญสติสัมโพชงพิจารณาอารมณ์เป็นภายนอกนะก็ละลึกในกายนะ แล้วนะสติประฐานว่าไงนะพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเวทนาจิตธรรมก็ในญาติเดียวกันนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาทั้งภายในและภายนอกเขาเรียก <c oughs> ว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกทีนี้วิธีเจริญเจริญยังไงโอยว่าโพชฌงมาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะเจริญนะเจริญเอาเรื่องเอาราออกงานงานเจริญยังไง บอกว่าสติสัมโพชฌงเป็นไนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธ า, า, ร า, า, ราน้อมไปเพื่อปริจาคะกับน้อมไปเพื่อปนะักขันธะน้อมไปเพื่อสลักกิเลสก็แล่นไปสู่พระนิพพานอันนี้ เ, เราเรียนมาแล้วนะสูตรไหนหลายสูตรหลายสูตรสูตรไหนบ้างเช่นสัภาสวะสังวรสูตรไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มก่อน เต็มสิอาสวะที่ละได้ด้วยการอบรมที่เรียกว่าภาวนานะก็คือการเจริญโพชฌงนั่นแหละก็เจริญสติสัมโพชฌงอาศัยวิเวก ค, คือตัฐทางคาวิเวกเป็นต้นนะนะคิดง่ายๆว่าเจริญสติสัมโพชฌงอาศัยสมถวิปัสนาอาศัยมร์อาศัยผลอาศั ย, ศ ย, ศยนิพพานเนี่ยเจริญไป น, นะเจริญสติสัมโพชฌงให้เป็นไปกับสมถวิปัสนามร์ผลนิพพานเจริญไปอย่างนี้จนกว่าจะบริบูรณ์นั่นแหละคือวิธีเจริญ ฟังไม่ยากแต่ทํายากเนี่ยฟังเดี๋ยวก็ผ่านมดแล้วใช่ไหมจะเอาไปเจริญเข้าจริงๆเนี่ยเอาจริงเอาจังเข้านีไ่ไหมทํายังไงดีสมมติถ้าเราไปนั่งกลับบ้านเนี่ยนะระหว่างทางเนี่ยคิดอะไรนั่งอยู่บ้านตื่นมาดึกๆเนี่ยเอ๊จะเจริญสติสัมโพชฌงละสติสัมโพชฌงอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยทํำยังไงเนาะทำยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าดังกล่าวต่อไปใช่ไหม นี่ต่อไปนะเมื่อว่าโดยวิภาคคณยะวิภาคแปลว่าวิภาคแปลว่าจำแนกนะกระจายออกไปในยะแห่งการจำแนกเนี่ยเกี่ยวกับโพชฌงมี9 6 0 0มในอันนี้อยู่ในอภิธรรมปิดกเลยนะไปดูะอ่าโพชฌงเขาวิพังเนี่ยนะโพชฌงเขาวิพังโดยนายเป็นต้นว่าสตอ่สัมโพชฌงเจ็ดเป็นชนัยภิกษุในธรรมวินายนี้จะสมัยใดเจริญโลกุตระชานโลกุตระชานเนี่ยนะโพชฌงที่เป็นโลกุตระนะ ในสมัยนั้นโพชอชงเจ็ดย่อมมีคือมีสติสัมพ่อชงจนถึงมีอุเบกขาสัมพ่อชงในโพ่อชงเจ็ดเหล่านั้นสติสัมพ่อชงเป็นฉนยสติคืออนุสติชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นสรุปว่าพ่อชงทั้งหมดเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสรู้เป็นการตรัสรู้ทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเลยเพราะสิ่งที่เอามาแสดงเกี่ยวกับพ่อชงนั้นเป็นการพูดที่ไม่ให้คลาดเคลื่อนเลย อันนี้แหละพระองค์ชื่อว่าตถาคตเพราะมาถึงญาณคือความรู้ในโพชฌงเจ็ดเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนโพชฌงเจ็ดนี้ถือว่ามีมีมากนะมีทั้งพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมมีกล่าวเยอะมากเพราะเพราะอะไรจึงแสดงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเป็นธรรมะที่ทําให้เกิดการตรัสรู้เป็นองค์ที่ทําให้อริยะสาวกตรัสรู้พระองค์ก็แสดงเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้เพราะ จเจริญโพชงที่เรียกว่าอะไรนะโคนต้นโพต้นโพก็เพราะเพราะสถานที่นั้นน่ะเป็นสถานที่พระองค์อบรมโพชงทั้งเจ็บริบูรณ์ก็เลยเรียกว่าต้นโพเนี่ยนะเห็นต้นโพก็นึกถึงโพชงเห็นใบโพก็นึกถึงโพชงนะสาธุขอให้ดังว่าเถอดมาดูอรอยิยมัตต่อเลยนะ ยานอันกระทําอรยาิยมรคให้แจมแจ้งของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นไปโดยอาการมากมายอย่างนี้อันนี้ในมรควิพังะนะมรควิพังค์เมื่อว่าโดยสรุปอย่างนี้ว่าในอริยสัจสี่เหล่านั้นมรคนี้อยู่ประเภทไหนอยู่ในทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาใช่ไหมอริยมรคนี้เป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทา พันทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นไฉนคืออริยมรตมีองค์8ดนี่แลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนั้นคือทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8นี้แหละหรืออริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นนะที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ที่จะทําให้ถึงความ พ้นทุกข์เมื่อว่าโดยสามัญญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของมรรคก็มาค่อยๆขยายว่าชื่อว่าอริยะอริยมรรคเนี่ยนะมรรคแปลว่าทางอริยะแปลว่าอะไรอริยะเพราะไกลจากสัพพากิเลสนะความหมายของอริยะแปลว่าไกลจากสัพพากิเลส ท, ทุกชนิดและเพราะกระทําความเป็นอริยะหมายค่ะว่าผู้ที่เจริญอริยมรรคอันนี้เนี่ยนะ แปรสภาพจากปุถุชนข้ามโคตรไปเป็นพระอริยะเนี่ยนะยกสถานะจากผู้เฝ้าวัตตะกลายเป็นผู้ออกจากวัตตะได้หรือชื่อว่าอริยะเพราะทำให้ได้อริยะผลอริยะผลก็คือโสดาปฏิผนเป็นต้นอริยมรคนี้มีองค์เท่าไหร่มีองค์8ดะนะมีองค์8เพราะมีองค์แปดและเพราะเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานโดยส่วนเดียว นะมีองค์8เนี่ยองคทั้ง8ดนี่แหละเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานถ้าจะขาดบ้างก็ขาดอะไรขาดสัมมาสังกัปปะนะในขณะทุติยาชฌานเป็นต้นแต่รวมนี้ถือว่าขาดองค์8ดไม่ได้เลยแล้วก็อริยมรตมีองค์8ดนี่แหละอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานถ้าเจริญครบ8ยังไงก็ต้องบรรลุนิพพานแน่นอน มันถ้าหากว่าปรารถนานิพานจริงก็ต้องปรารถนาเจริญมักมีองค์แปดด้วย น, นะเพราะว่าบรรลุนิพานโดยไม่ครบองค์แปดได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้หรอกทีนี้เราก็มาไล่ดูเออนี่เราเจริญองคไหนได้บ้างหนึ่งสัมมาทิฏฐิอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะผุศล ส, สังกัปปะสัมมาวาจาสมากัมมันตะโอ้ไล่ดูไล่ดูเกือบเกือบหรื อ, อยังพี่อิทธ์ ชื่อว่ามักนะนะชื่อว่ามักเพราะฆ่ากิเลสมักนี่หมายถึงว่าฆ่ากิเลสฆ่าอะไรนะสัมมาทิฏฐิฆ่ามิจฉาทิฐิสัมมาสังกัปปะฆ่ามิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาฆ่าอะไรฆ่ามิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะฆ่ามิจฉากัมมันตะสัมมาอาชีวะฆ่ามิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะฆ่ามิจฉาวายามะสัมมาสติฆ่ามิจฉาสติมิจฉาสติเป็นยังไง ก็ระลึกไปด้วยวิปราสเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาสติแล้วสัมมาสมาธิก็ค้ามิจฉ า, า, าสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นยังไงนิ่งเป็นหลับสรงมันไม่ไม่ฟุ้งมันเป็นยังไงมิจฉาสมาธิก็คืออกุศลสมาธิทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่ามิจฉาสมาธิก็คือเอกคตาที่เกิดร่วมกับอกุศลมันมรคดเนี่ย่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยนะข า, ากุศลเหล่านี้ เน้นพิเศษเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเน้นเน้นฆ่าอากุศลสายโทสะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่ขับเน้นฆ่ากิเลสสายโลภะส ม, มาธิฏิสัมมาสังกปะเน้นฆ่ากิเลสสายโมหะแต่ว่าจะฆ่าได้จริงๆก็ต้องครบ8น่ยนะต้องครบ8จึงจะฆ่าได้จริงถ้ายังไม่ครบ8ก็บรรเทาอาการ บรรเทาอาการพ่อราคะบรรเทาอาการพ่อโทสะเป็นต้นนะนะระ ง, งับได้ชั่วคราวสัมมาเออขอไปมรรคแปดนี่แหละเป็นตัวที่ถึงพระนิพพานนะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานและผู้ต้องการพระนิพพานต้องสแสวงหามรรคนะเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ผู้ถูกไข้ครอบงำเนี่ยนะหมอก็มีอยู่ยาก็มีอยู่ ถ้าบุรุษผู้ถูกไข้ครอบงำแล้วเนี่ยปรารถนาจะหายไขย่ถ้าไม่ไปหายาเนี่ยโทษใครชั้นใดก็ดีผู้ที่ถูกกิเลสเป็นต้นกลุ่มรุมถ้าไม่ปรารถนา อ, อริยมรรคก็มีอยู่ถ้าไม่แสวงหาอริยมรรคเพื่อกําจัดโรคคือกิเลสเหล่านั้นอะ่ะและจะโทษใครเนี่ยนะโทษว่าแมมโทษพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์รีบปรินิพพานเกินไปน่าจะรอเราหน่อยโทษตัวเองอะไรทำบุญน้อยเกิดไม่ทัน ที่จริงตอนนั้นก็เกิดทันะนะแต่ไม่รู้เกิดเป็นอะไรและเกิดอยู่ที่ไหนนี่สิตอนนั้นก็ไม่ได้ไปนิพพานอะไรหรอก น, นอะสภาพของอริยมรรคเนี่ยนะสภาวะของอริยมรรคมีองค์แเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สแสวงหานิพพานโดยธรรมชาติเขาเองถ้าครบองค์8ปนี่สแสวงหานิพพานมรรคแปดเนี่ยนะก็คือความสมบูรณ์ะนะคือความสุดจริตสประการที่บริบูรณ์นั่นแหละคือมรรคแปนะ มักแปดนี่คือความสุดจริตทั้งทั้งสัมมาทั้งกายวาจาและใจที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่นั่นแหละเรียกว่ามักแปประชุมกันแต่ถ้าไอความทุจริตทวารใดทวารหนึ่งไอความทุจริตนั่นแหละเป็นทางไปสู่อบายใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสุจริตทั้งทั้งหมดเลยสมบูรณ์จริงๆเนี่ยสแสวงหาพระนิพพานเพราะอารยะิยมรรคนั้นเป็นธรรมชาติที่สแสวงหาพระนิพพาน สแสวงหาความดีให้แก่กายสแสวงหาความดีให้แก่วาจาสแสวงหาความดีให้แก่จิตใจเนี่ยนะมันใครที่ปรารถนาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือสแสวงหาคุณงามความดีให้เป็นไปทวารกายวาจาและใจปรารถนาให้กายวาจาและใจนี่เป็นไปกับคุณงามความดีเคยพยายามคิดอย่างนี้บ่อยๆนะว่าไปที่ไหนก็จะไปบำเพ็ญสุจริต นะตั้งใจว่าจะไปบำเพ็ญสุดจริต จ, จะไปเจริญคุณงามความดีไปทำอะไรก็เอาความดีเป็ น, ปนหัวหน้าในการกระทำใช่ไหมถ้าตั้งไว้อย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญกุศลธรรมนี่มาดูลักษณะพิเศษของมรรคเป็นยังไงพิเศษเฉพาะอ ง, งค์เน่นะเฉพาะตัวเฉพาะตัวสัมมาถถทิฏฐินี่เห็นถูกต้องเห็นอะไรถูกต้องเห็นอริยสัจอย่างถูกต้องสัมมาสังกัปปะ ยกสัมปยุตรธรรมด้วยอํานาจเนคคำมะวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกขึ้นโดยถูกต้องสัมมาวาจาก็กําหนดเสก่อนแล้วค่อยพูดสัมมากมันตละล่ะอุตสาหานะต้องขยันสัมมากมันตะไอคำว่ากมันตะเนี่ยอุตสาหานี่นะขยันเนี่ยมันขยันจะทำอะไรถ้าขี้เกียจเนี่ยถธอลงมือต้องฆ่าเขาใช่ไหมถ้าไม่ขี้เกียจเนี่ยต้องทํำยังไง หนีเลยวิ่งหนีเลยอย่างนี้ว่าก็สัมมากัมมันตะนั้นก็คือเว้นจากอนน่กายธาตุจริตสามอันน่นกะนนนการเว้นจากความชั่วนั่นแหละเป็นสัมมากัมมันตามันคนเกียดครั้นทาไม่ได้หรอกเพราะคนเกียดครั้นนะบางทีเนี่ยเอาเอาความขี้เกียจของตัวเองเข้าว่าไว้ก่อนเลยก็เลยยอมทําบาปใช่ไหมแก้ปัญหาด้วยการทําบาปทําอกุศลส่วนสัมมาอาชีวะมีความผ่องแผ้วเป็นลักษณะเนี่ยนะมีความผ่องแผ้ว ของแพ้วก็คือสะอาดหมดจดนั่นเองสัมมาวายามะเป็นยังไงประคองไว้โดยชอบคือประคองศีล ส, สมาธิปัญญาไปโดยชอบสัมมาสติก็คือปรากฏโดยอสุภะเป็นต้นเนี่ยโดยชอบสัมมาสมาธิก็ไม่ฟุง้งซ่านก็คือตั้งมั่นลักษณะพิเศษแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆนะใช่จะทำทีแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ก็ทำไม่ง่าย ไอ้ยากไปกว่า น, นั้นก็คือให้ทั้งแปดเนี่ยประชุมกันทําให้เกิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีอ่ะนะเป็นสิ่งที่ทํายากแต่แหมเอาให้แปดเนี่ยประชุมกันนะแล้วแปดประชุมกันต้องประชุมกันสี่ครั้งด้วยจึงจะเพียงพอแก่การตรัสรู้นี่มาดูโดยการจําแนกเลยนะจาแนกมรแปดว่าเมื่อว่าโดยการจําแนกกิจอย่างนี้ว่าสัมมาทิฏฐิละมิชฌาทิฏฐิกับ กิเลสอย่างอื่นที่เป็นค่าสึกของตนนละมิจฉาทิฏฐิและละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐินั้นกระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เห็นสัมปยุตธรรมโดยอสัมโมหะเพราะกําจัดโมหะอันปกปิดพระนิพพานอนั้นนะนปกปิดการเห็นสัมปยุตธรรมอันนั้นเนี่ยนะพันสัมมาทิฏฐินี้ก็เหมือนกับในสูตรที่ ทำทำสิบที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรนะนิชระวัตถุสิบเนี่ยนะทำสิบที่ควรรู้ยิ่งคือนิชระวัตถุสิบบอกว่าสัมมิชชาทิฏฐิของผู้มีสัมมาทิฏฐินี่เป็นอันหายไปใช่ไหมถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดยังไงมิชชาทิฏฐิก็ไม่เกิดถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วอกูสลธรรมทั้งหลายที่มีมิชชาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันหายไป กุศลรธรรมทั้งหลายที่มีสัมมาทิธฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันเจริญงอกงามขึ้นอันเนี้ยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะก็อีกเจ็ดดข้อก็ในยะเดียวกันอยู่ในนิชระวัตถุสิบนะนะสัมมาทิธฐินี้เป็นอย่างนั้นสัมมาทิธฐินั้นละมิชาทิธฐิเห็นพระนิพพานโดยอารมณนะรอบรู้สภาวะที่เกิดร่วมกันโดยอาสาัมโมหะคือความไม่หลงลืมเป็นต้น ตรงนี้เนี่ยนะท่านให้แนวทางการเจริญพุทธคุณส่วนรายละเอียดก็ต้องไปค้นเอาอะนะแต่และอย่างนี้ถ้าเอามาเรียนกันจริงๆนะโยมเอออย่างละอาทิตย์นั่นแหละนี่ก็ก็เอามาเรียนเฉพาะหัวข้อเรียนพอเป็นวาสนาวาสนาชาติไหนโอยก็อาทิตย์หน้าปีหน้าเป็นต้นนั่นแหละจะไปวังอะไรโอยรอชาติหน้านะชาติหน้าเนี่ยนะกว่าจะถึงชาติหน้าพวกนี้ก็ลืมหมดแล้ว วาสนาอาทิตย์ต่อต่อไปเดือนต่อต่อไปปีต่อต่อไปจะได้เรียนได้เข้าใจยิ่งๆิ่งขึ้นน่ะนะได้ยินได้ฟังพอเป็นเขามาว่านะให้ได้ยินได้ฟังให้มันผ่านหูไปก่อนอุย้ยครั้งแรกนี่เขามาเห็นปั๊บเนี่ยโอตานี่เบลอหมดเลยไม่รู้คืออะไรนะครั้งแรกก็ถ่ายเอกสารไปไหนก็เอาไปด้วยก็มาลืมดูสัหน่อยแล้วก็ปิดไว้กระดาษยับก็ไปหาถ่ายเอกสารใหม่เอาไปอีก กว่าจะรู้เรื่องได้นี่ก็ยากแต่ตอนนี้ก็ยังรู้ไม่สมบูรณ์อะไรเลยนะนะก็ยังรู้ว่าต้องเรียนต่ออีกเยอะในในหน้าเดียวกันเนี่ยหน้าที่เรียนเรียนมาเนี่ยนะจะต้องอ่านอีกหลายรอบมากเลยนะก็ยังไม่รีบจบอะไรถ้าจบแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเรียนธรรมะให้จบเร็วๆจะไปทไําไหมก็จะได้ไปเพิ่เจอไงไอ้เพิ่เจอมันดีตรงไหนก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกเลยนะมดีตรงไหนเนี่ยนะชวนกันทักบาปนะบาปทวนเดียวยังไม่พอไปชวนกันทําบาปอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะ สุกอะไรเนี่ยนะสุกในอะไรแค่เรียกว่าธรรมะสมาทานบางอย่างสุขในปัจจุบันแต่ทุกต่อไปพูดจบแล้วก็เดือดร้อนเลยนะพูดทำไมอน่ะนีทีนี้ต่อไปโดยสัมมาสังกะปะเป็นยังไงบ้างสัมมาสังกะปะก็ละมิจฉาสังกะปะกระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ยกสัมปยุตธรรมคือยกองค์มรที่เหลือขึ้นสู่พระนิพพานส่วนสัมมากรรมตะก็ทําการอุ กำหนดการอุสาหะสัมมาอาชีวะก็การผ่องแผ้วสัมมาวายามะก็ประคองสัมมาสติปรากฏสัมมาสมาธิตั้งมั่นแห่งสหชาตธรรมนนะมันบางอย่างนี่ก็ถือว่ารู้กันใช่ไหมหนึ่งนะสัมมาสังกัปปะอภิโรปนยกสัมปยุตตธรรมขึ้นสู่อารมณ์สัมมากรรมันตาก็อุสาหะใช่สัมมาวายสัมมาอาชีวะ สัมมาชีวะนี้ผ่องแผ้วสัมมาวายามะประคองสัมมาสติปรากฏส ม, มาส ม, มาธิตั้งมันมรตแปดเหล่านี้เมื่อว่าโดยวิภาท ค, ความเป็นไปในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายจำแนกเบื้องต้นแห่งมรตจำแนกเบื้องปลายแห่งมรตทำอย่างไร อ, อย่างนี้ว่าส ม, มาธิฏฐิมีขณะต่างๆกันในส่วนเบื้องต้น ตอนแรกตอนแรกสัมมาทิฏฐินะกำหนดวันนี้ทุกนะค่อยๆวิจัยวันนี้ทุกวิจัยวันนี้สมุทยัยค่อยๆเอามาจําแนกเอามาใคร่ครวญเอามาคิดเอามาเพ่งมาพิจารณาเนี่ยนะในตอนแรกๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยชัดเจนอะไรแต่ก็เริ่มเข้าใจชัดขึ้นตามลําดับแห่งวิสุทธิเพราะเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจะจะเป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิจริงๆต่อเมื่อเจริญทิฏฐิวิสุทธิขึ้นขึ้นไป สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นสีแล้ววิสุทธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิเป็นจิตตาวิสุทธิพันธสัมาธิทฐิสัมมาสังกปะนี่แหละคือทิฏฐิวิสุทธิเป็นตน้นพันธก็เริ่มทิฏฐิวิสุทธิจเจริญอย่างไรนะกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นอย่างไรมาาัคคามัคคายาณทัศนวิสุทธิเป็นอย่างไรก็พูดไปตั้งห้าสิบกว่าชั่วโมงแล้วเนาะนี่ก็ แสดงอะไรเยอะพอสมควรแล้วนี่ก็มาดูว่าสัมมาทิฏฐินั้นเบื้องต้นนั้นก็กําหนดวิจัยทุกโดยขันอายตนณะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจะสมุบาญพร้อมทั้งปัจจัยของสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีสมุทัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะ ก, กําจัดตัดชั้นราคะในสมุทัยเหล่านั้นได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าส่วนเบื้องต้นส่วนเบื้องต้นนั้นเป็นการวิจัยเลือกเฟ้นเฟ้นแล้วเฟ้นเล่าอยู่นั่นแหละกว่าจะตรัสรู้ แต่ในขณะมรรคเนี่ยมีขณะเดียวเท่านั้นอริยมรรคนี้โซดาปฏิมรรกก็เกิดแค่ครั้งเดียวสก่ทาคามีมรรคอนาคามีมรรคจนถึงอรหัตตมรรกก็ตามมรรคแต่ละนี้เกิดทีละครั้งเท่านั้นเมื่อประชุมพร้อมมรรคจึงเกิดขึ้นมรรคเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์นะแทงตลอดพระนิพพานโดยอารมณ์สัมมาทิฐินั้นเมื่อว่าโดยกิจมีสี่ชื่อ นึ่งยาในทุกสองญาในสมุทัยยาในนิโรธและยาในทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิทำรรกิจสี่ประการสัมมาสังกปะนี้เบื้องต้นก็มีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันขณะต่างกันก็เช่นอะไรนะเนคขมะสังกปะก็อย่างหนึ่งอัพยาบาทสังกปะก็อย่างหนึ่งอวิหิงสาสังกปะก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็ต่างกันเนคขมะสังกปะก็มีอสุภะเป็นต้นเป็นอารมณ์ อั น, นอวิหิงสาสาังกปะก็มีทุ ก, กิจสัตเป็นอารมณ์อพยาปาธาสังอภยาปาธาสังกปะก็มีปิยมนาปสัตเป็นอารมณ์เป็นต้นแต่ว่าในาขณะมร์นเนี่ยนะในขณะมร์นเนี่ยสัมมาสังกปะนี่ก็มีขณะจิตเดียวแล้วก็มีอารมณ์เดียวคือมีพระนิพานเป็นอารมณ์ขณะที่สัมมาสังกปะในขณะโลกุตระมร์กเกิดขึ้นได้ชื่อสามประการคือเนคขมะสังกปะอัพยาบาทสังกปะและอวิหิงสาสังกปะ ส่วนมรคมรค อ, องมรคข้อที่ส 4, มสี่ห้าคือสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะองมรคทั้งสนั้นในเบื้องต้นเป็นวิรัตก็มีเป็นเจตนาก็มีปานาติปาตาเวปฏิวิรโตเนี่ยน ะ, ะเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นมันได้เวรมนีใช่ไหม วิรัตก็คือเวรามานีป า, านาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินั่นแหละเวรามณีกับวิรัตนี่อันเดียวกันเวรามณีกับเป็นเจตน า, นนะ เ, านเนี่ยเพราะศีลเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างสองประการคือเจตนาศีลกับวีรติศีลเจตนาศีลกับวีรติศีลก็คือเจตสิกศีล น, นั่นเองสัมมาวาจาเป็นต้นนั้นถ้ามีการจำแนกก็คือ สัมมาวาจาจำแนกเป็นอะไรมุสวาวาเวรมณีปิสุนายนายาวาจายะเวรมณีเนี่ยนะก็คือเว้นจากปิสุนาวาจาเว้นจากพุทธวาจาเว้นจากสัมผับปลาปะเนี่ยนะเาเมื่อกี้ที่บอกว่ารีบไปเจริญสัมผับปลาปะนี่ไม่ใช่เจริญองมร์นั่นะนะเนะจริญมิจฉามร์ถ้าเจริญอ ง, งมร์ก็เนี่ยเว้นจากมุสาวาตเว้นจากปิสุนาวาจาเว้นจาก พุสวาจาและก็เว้นจากสัมผัสปลาปะส่วนสัมมากรรมตตะละ่ะเว้นจากปานาธิบาตเว้นจากอาทินาทานเว้นจากกาเมสุมิฉาจารสัมมาต่อไปส ม, มาชีวะใช่ไหมก็คือเว้นจากอาชีพที่ประกอบด้วยทุจิริททางกายวาจาดังกล่าวไปแล้วและประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนะเป็นอาชีพที่เว้นจากค้าขายห้าประการเป็นต้น ไอ้คำว่าศีลเนี่ยมันเป็นตั ว, ต, วตัวอาชีพหรือว่าตัวเจตนาในการประกอบอาชีพคือศีล <Okay. S 1> สมมติถ้าเออเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยหรือทําอาชีพเกี่ยวกับการตกแต่งอาชีพก่อสร้างอาชีพอะไรก็ช่างเถอะไอ้ตัวอาชีพจริงๆมันคืออะไรที่เป็นสัมมาอาชีพเนี่ย <Okay. S 1> ได้แก่ตัวเจตนากับตัววีรตีนี่ยนะนะไม่ได้ไม่ใช่ตัวงานแต่เจตนาที่ไปประกอบการงาน่ะ ทำด้วยอำนาจกุศลตัวนั้นแหละที่เป็นเป็นศเนี่ยนะที่เป็นองค์มรรคที่จะทำให้ตรัสรู้ไม่ใช่ตัวเนื้องานนะแต่หมายถึงเจตนาที่ประกอบการงานเจตนาตัวนั้นแหละที่เป็นเหตุให้ให้ตรัสรู้เนี่ยนะก็คือตัวเจตนานั่นแหละส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยนะได้กิจได้ได้ได้ิสีชื่อสัมมาวายามะได้อะไรสั ม, มประธานเ สัมมาสติก็ได้สติปฐานสีส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาสมาธิในขณะมักก็ต่างกันขณะเบื้องต้นก็ต่างกันขณะมักก็ต่างกันเพราะมักบางอย่างเป็นปฐมฌานมักบางอย่างเป็นทุติยฌ า, านมักบางอย่างเป็นตัตยฌ า, านมักบางอย่างเป็นจตุทาฌานนันนนะ่วิธีเจริญมักเจริญว่ายังไงคันนี่ วิธีภาวนาก็คือวิธีเจริญนะว่าภิกษุในธรรมวิานัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏ pues, ฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครเรียกว่าเจริญองค์มากนะนะเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญส <pper Think wan? S 1> ัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ อันนี้น่าคิดนะว่าเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสระคือน้อมการเจริญเจริญองค์มัคเหล่านี้นะเจริญองค์มัคที่เป็นศีลเหล่านี้เพื่อจะได้เป็นบาตแห่งการอบรมส ม, มะถะและวิปัสสนาตั้งใจไว้เสมอว่าการพูดสัมมาวาจานี้เป็นไปเพื่อให้เจริญส ม, มะถะวิปัสสนาเป็นไปเพื่อองค์มัคทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยนะตั้งคําถามเลยว่า คำที่เราจะพูดต่อไปนี้เป็นบาตแห่งเป็นบาตแห่งสมถาวิปัสสนามัตผลหรือไม่เพราะเพราะคำทุกคำที่ที่พูดที่จะปฏิบัติธรรมถึงความตรัสรู้เนี่ยเขาต้องระลึกอยู่เสมอระลึกไว้เสมอว่าทำคำที่พูดทุกคำนี้เป็นบาตเป็นพื้นฐานให้ตรัสรู้มัตผลต่อไปได้หรือไม่สิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นบาตเป็นพื้นฐานให้ตรัสรู้มัตผลได้หรือไม่ อันนี้หมายถึงคนที่จะเจริญเป็นจริงเป็นจังที่ที่น้อมไปเพื่อการตรัสรู้นะทุกอย่างที่ทําทุกอย่างที่พูดทุกคําที่พูดเกื้อกูลต่อการตรัสรู้ต่อสมถวิปัสสนามัตถุหรือทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยนะเก็บคํานวณได้หมดเลยถ้าตามนั้นก็คู่ควรแล้วที่จะบรรลุใช่ไหมใครที่เจริญอย่างละเอียดพิถีพิถัถนรอบคอบเนี่ยนะแล้วตรัสรู้เนี่ยหน้ามูที่ตาจริงๆหน้านุโมธนาเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหม แต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยบรรลุนี่แมมันเกิดอะไรขึ้นนี่มาดูวิธีจำแนกองมร์เลยนะจำแนกมรกเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าจำแนก8 4ด0 0ี่พันในเกี่ยวกับเรื่องมรกมรเนี่ยนะเยอะมากก็มร์มีองค์แปดเป็นฉนยัยคือพระ พ, พิสุในธรรมวินัยนิจเรญโลกุตระฌานก็คือที่จำแนกเนี่ยโดยฌานเป็นต้นแล้วก็โดยปฏิปทาสี่ น, นะเพราะว่ามร์แเนี่ยเป็นไปกับปฏิปทาสี่เป็นไปกับ อธิบดีสี่เป็นไปกับอะไรนะพ อ, ะ ม, อ ม, 4, ะนะมีโดยอารมณ์สี่โดยสุธิกะปฏิปทาเป็นต้นเน่ยนะก็มีโดยอารมณ์โดยอธิบดีมีหลายอย่างจำไม่ได้นะนี่ง่ายมากเลยนะผ่าน <c oughs> สรุปว่าการตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องอริยมรร ทุกไวยะของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงนี้ที่จริงท่านจัดกลุ่มมาประมาณ7กลุ่มนะกลุ่ม1เกี่ยวกับเรื่องมรรคเนี่ยใครที่รู้เรื่องมรรคจริงๆต้อง 1. โดยสรุป 2. โดยสามั ญ, ญลักษณะ 3. โดยลักษณะพิเศษ 4. โดยการจำแนกกิ่ 5. โดยวิพาคษส่วนเบื้องต้นเบื้องปลาย 6. 6โดยภาวนาวิธี 7. โดยจาแนกโดยพิสดารเนี่ยนะ เขามีเจ็ดกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เอามาแสดงนะได้อย่างไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงยานในเกี่ยวกับเรื่องมรรคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆอย่างวิธีเจริญมรรคแปดเนี่ยนะถ้าดูในมรรคขวิพังเนี่ยอขอยอภัยมรรควิพังด้วยแล้วก็ใน สังยุตตานิกายมหาวราระวัคเนี่ยนะมัคคสังยุตเนี่ยนะมัคคสังยุตเนี่ยก็แสดงได้เป็นร้อยร้อสูตรเลยนะโดยนัยยะต่างๆเนี่ยก็มัค8ปดเราก็นับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสามห้าหก็แปดเก็เข้าใจแล้ว8มีอะไรบ้างแต่พระพุทธเจ้าเอามาแสดงโดยปัจจัยที่ทําให้เกิดมัคอริยามัคเนี่ยไหลไปยังไงแล้วมัคแต่ละอย่างเนี่มีข้ออุปมาอย่างไรแต่ละอย่างมีองค์ประกอบในการเจริญมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันธ์อยู่จริงๆพระองค์เป็นธรรมราชาจริงๆ เพราะพระองค์นี้สามารถเอามาจำแนกแจกแจงโดยนัยะโดยประการต่างๆแล้วจะแสดงกับคนหนึ่งก็แสดงอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็แสดงอีกอย่างหนึ่งใช้พยัญชนะที่แตกต่างกันไปแต่อัตตะสาระคงเดิมหมดเลยอันนี้พระองค์เป็นพระธรรมราชาจริงๆแล้วการแสดงของพระองค์นั้นก็น้อมไปเพื่อการพ้นทุกข์ของของผู้ที่ฟังเหล่านั้นได้ อ, อย่างแท้จริงนี่มาดู ที่ว่าพระองค์มาถึงยานอันทองแท้ยานอันทองแท้คืออนุปภาพวิหารสมาบัติอนุปภาพวิหารสมาบัติก็คือสมาบัติวิหารก็คืออยู่นะสมาบัติที่เข้าอยู่ตามลำดับสมาบัติที่อยู่ตามลำดับนะั้นะมีอะไรบ้างก็ปูทถึงวิธีเจริญกับวิธีเข้าตามลำดับ หปฐมฌานสองธุติยะฌานสาตัติยะฌาน4ี่จตุทชัชฌานหอากาสารา น, นจายตนะ6วิญญาณา น, นจายตนะเจอากินจัญญายตนะ8เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสุดท้ายคือนิโรสมาบัติการที่จะเข้านิโรสมาบัตินั้นจะต้องมีการเข้าฌานตามลําดับ น, น, นะอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ก็คือวิธีการเข้านิโรสมาบัตินั่นเอง แล้วก็ยาสมาบัติทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็พิจารณาไคร่ครวนอย่างละเอียดถีถ้วนแล้วเป็นการตรัสรู้ที่ทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะสําเร็จประโยชน์แก่ยานนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอามาแสดงอย่างเดียวนะพระองค์เจริญอย่างนี้ได้พระองค์เจริญอย่างนี้จริงๆแล้วพระองค์ก็มีปกติอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ด้วย น, นะพราะวิหารนี่แปลว่าเครื่องอยู่ใช่ไหม วิหารนี่แปลว่าเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ตามลําดับอยู่โดยลําดับเนี่ยนะต่อไปทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้า10บสบอย่างะนะสิอย่างก็ฐานาฐานายานเป็นต้นอันหนึงทศพลยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้คือการรู้ฐานะคือเหตุและไม่ใช่ฐานะ คือไม่ใช่เหตุแห่งผลอนนั้นอันไม่ผิดแพกดังนี้ว่านี้เป็นฐานะของผลนี้นี้ไม่ใช่ฐานะของผลนี้พระองค์น้รู้อะไรเป็นฐานะของอะไรอะไรเป็นฐานะอะไรไม่ใช่ฐานะเช่นบอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุติจิตวจีทุติิตมโนทุติิตไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นไปไม่ได้ ข้อที่เป็นไปได้คืออะไรคือผู้ที่พระรั่งพร้อมด้วยกายญตทจิริตวจีทุจิริตมโนโทุจิริตไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอีกนายหนึ่งเขบอกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้สมบูรณ์ด้วยกายสุจิริตฐวจีสุจิริตมโนสุจิริตจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตอันนั้นเป็นอาถรนะส่วนฐานะที่จะเป็นไปได้คือ ผู้ที่พร้อมด้วยกายสุจริทวจีสุจริริมโนสุจริไปสู่สุขติโลกสวรรค์อันนี้เป็นต้นเนี่ยนะ ก, ก็ในอนุปดสูตรหรือในญาณวิพังญาณวิพังเนี่ยนะยาณวิพังหรือญาณวัตถุวิพังเนี่ยมีจําเนกว่าอย่างละเอียดตรงนี้มากล่าวเพียงย่อๆพราะนั้นยานอันดับแรกเรียกว่าฐานาฐานายานฐานะก็คือเหตุใช่ไหมอฐฐานะก็คือไม่ใช่เหตุยานที่รู้เหตุและ มิใช่เหตุเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระพุทธเจ้าสององค์จะเกิดขึ้นในโลกพร้อมกันอย่างเงี้ยเรียกว่าอาถานพะถ้าเกิดขึ้นมาในโลกองค์เดียวนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นต้นอย่างที่สองกรรมะวิปากยานก็คือยานรู้ลำดับวิบากตามความเป็นจริงแห่งการยึดถือกรรมอันแตกต่างโดยชนิดแห่งกาละมีอดีตเป็นต้นของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นะกรนะนะมวิปากยาน กรร ม, มวิปากายานตัวนี้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเห็นเขาฆ่าหมูหนึ่งตัวนเนี่ยนะพระองค์รู้เลยว่าในจํานวนคนที่ฆ่าหมูทั้งหมดเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยเจตนาตัวนี้นําตกนรกของคนเนี่ยนำไปเกิดในเปรตหรือในอสุรกายหรือเดรัชานคนนี้ให้ผลหลังจากเกิดไปแล้วเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะจําแนกได้หมดเลยแล้วการทําบุญครั้งหนึ่งเนี่ยคนนี้ไปเกิดใน เ, เจตนาของคนนี้นําไปเกิดณสวรรค์ชั้นนี้อีกคนหนึ่งไปเกิดณสวรรค์ชั้นนี้ จำแนกว่าเพราะทําทเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่ใช่ว่าจะได้ผลเท่ากันนะเท่ากันไหมวันนี้เรียนธรรมะเข้าใจเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเข้าใจเท่ากันหมดเลยไม่แล้วแสดงว่าตอนทําเหตุต่างกันวิบากก็แตกต่างกันบางคนนี่ยนำเกิดบางคนเพียงแต่ให้เป็นอุปธรมภกกรรมนะบางคนก็เอาไปเป็นอุป ป, ปีและกรรมไปเบียดบาปเบียดอกุศลพทันพระองค์เนี่ยจำแนกเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่าง ละเอียดสิ้นเชิงและกรรมเหล่านี้จะให้ผลเมื่อไรให้ผลอย่างไรแค่ไหนและการให้ผลนั้นจะต้องอาศัยสมบัติ4ี่หรือวิบัติ4ี่กุศลและอกุศลเหล่านี้จึงจะให้ผลได้ก็รู้อย่างละเอียดนั่นแหละนี่ต่อไปก็สัพพัทธาคามินีปฏิปทาญานคือการรู้ถึงกรรมและการจำแนกกรรมทั้งที่มีอาสะวะกรรมที่เป็นอนาสะวะตามความเป็นจริงว่า นี่เป็นปฏิประธานนำไปสู่นรกนี้เป็นปฏิประธานนำไปสู่ เดรชาณนี้ปฏิปฏิประธานนําไปสู่เดรชาณนี้เป็นปฏิประธานนําไปสู่มนุษย์นี้เป็นเทวตา h, ปฏิประธานนําไปสู่เทวดานี้เป็นปฏิประานที่นําไปสู่พระนิพพานของสัตว์นั้นในขณะทำกรรมนั้นนั่นเองรู้หมดเลยว่าเจตนาครั้งนี้เนี่ยเจตนาตัวนี้นําไปเกิดณที่ใดอย่างไรเมื่อไหร่เป็นต้นเนี่ยรู้หมดเลยก็เรียกว่าสัพพัทธคา ม, มินีปฏิปทาญาณนะนะสัพพัทธคา ม, มินีปฏิปทาญานแปลว่า รู้ปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่ที่ทั้งปวงนะรู้เลยว่าที่ทำอยู่เนี่ยจะมีผลเมื่อไรอย่างไรนะดีจริงๆเลยนะได้นับถือาศาสด า, า, าที่รู้ขนาดนี้แล้วโอ้เดบุญมากแล้วต่อไปนานาธ า, าตุยานเรียกว่ายานที่รู้ความแตกต่างกันแห่งธาตุต่างๆตามความเป็นจริงโดยในเป็นต้นว่าเพราะธาตุชื่อชื่อนี้หนาะแน่นความพิเศษนี้จึงเกิดขึ้น อย่างเช่นว่าที่เขาเรียกว่าเหล็กเหล็กชนิดนี้เนี่ยเพราะาธาตุตัวไหนหนาแน่นอันนะก็คือจําแนกแยกาธาตุได้ทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงอ่ะ น, นะหรือแม้กระทั่งว่า เ, เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกเนี่ยนะสัตว์โลกเนี่ยขันแต่ละคนเนี่ยาธาตุตัวไหนหนาแน่นอันนะั้เขามากไปด้วยาธาตุอะไรมากนีพระองค์รู้แล้วก็สามารถความเป็นปลแห่งขันอายตนะเป็นอันมาก แล้วก็สิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอุปาทินกะและอนุปาทินกะและในจํานวนธาตุทั้งหลายที่มีสภาวะแตกต่างกันเป็นต้นพระองค์ก็รู้ทั้งหมดนะรู้การจําแนกแจกแจงในรายละเอียดในรายละเอียดของสภาพธรรมขันธะอริยธนะทั้งในส่วนของนามธรรมและส่วนของรูปธรรมรูปธรรมแต่ละอย่างนี้มีองค์ประกอบคือธาตุอย่างไรบ้างธาตุตัวไหนพิเศษกว่าตัวไหนทําไมาสีทั้งหลายจึงแตกต่างกันไปเนี่ยนะ พระองค์นี้จำแนกได้อย่างทั้งหมดจำแนกได้อย่างสิ้นเชิงเครียกว่านานาธาตุยานก็คือยานที่ย่งรู้ความแตกต่างการแห่งธาตุทั้งหลายโดยประการต่างๆส่วนยานข้อต่อไปเรียกว่ายานที่รู้อัธยาศัยและอัิมุดของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ที่มีอธมัธมุดเลวก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอัิมุดเลว สัตว์ที่มีอธิมุดปานกลางอะนะเรียกว่าคนเร็วกว่าครบคนเคร็คเ ว, ค, ร ค, นว ค, รคนดีกว่าครบคนดีคนปานกลางกว่าคบปานกลางในอดีตเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันด้วยธาตุนะคนอะไรนะธาตุเดียวกันมันจะไปเจอกันคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มไหนอัธยาศัยคล้ายๆกันมันจะเข้าไปหากันแต่ถ้าธาตุเริ่มแตกต่างกันเมื่อไหร่มันก็จากกันถ้าใกล้เคียงกันเมื่อไหร่ก็ไปหากันต่อไปเพราะฉะนั้นคนเศร้าก็จะไปหาคนเศร้าด้วยกันไห ค น, คนดีใจก็ไปหาคนดีใจร่วมกันคนศึกษาธรรมะก็ไปหาศึกษาธรรมะร่วมกันพวกขี้เมาก็ไปหาขี้เมาด้วยกันเป็นต้นนั่นน่ะมันก็ไปตามาธาตุนั่นแหละไปตามกลุ่มๆไปแต่เพื่อนี้มันแยกาธาตุได้นะแปราธาตุได้าธาตุมันแปลได้เป็นช่วงๆไปนะนี่ต่อไปก็อินทรียะโปรปริยติยานยานที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแองเอแห่องอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอนนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์ยิ่งมีอินทรีย์หย่อน อันนะั้นมีอาการดีได้ดีตกยากอย่างไรก็รู้หมดเรียกว่าอินเดียะโปรปริยติยานต่อไปก็ยานที่รู้ความพิเศษอันนะความเศร้าหมองของฌานวิโมกเป็นต้นเรียกว่ารู้ว่าฌานนี้จะพองแผ้วได้อย่างไรฌานเหล่านี้จะเศร้ามองเพราะเหตุใดพระ อ, องค์รู้แล้วก็วิโมกเหล่านี้พองแผ้วเพราะเหตุใดเศร้ามองเพราะเหตุใดก็ก็รู้อันนะเรียกว่ายานที่ยังรู้ความเศร้าหมองพองแผ้ว แ, แห่งฌานวิโมกอันนี้เป็น เป็นโทษสพพลยานข้อที่7ส่วนโทษสัพลยานข้อที่8ก็คือการรู้ความสืบต่อการแห่งขันที่เคยอยู่ในการก่อนโดยสิ้นเชิงพร้อมด้วยความเกี่ยวเนื่องกับขันในชาติอันหาประมาณไม่ได้ก็คือมีญาณที่ระลึกชาติได้1ชาติ2ชาติสามชาติสีชาติเป็นต้นนะนะก็คือละลึกชาติได้พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับอดีตชาติได้ครบถ้วนส่วนโทษสพพลยานข้อที่9ก็คือ รู้จุติคือรู้จุติและปฏิสนธิจุตูปปาตญาณของเราเนี่ยจะนิยมพูดว่าตายแล้วเกิดอะไรนะเกิดแล้วตายใช่ไหมเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก็คือรู้ว่าตายเข้าตายแล้วเขาจะเกิดที่ไหนต่อไปจงว่าตายแล้วเกิดกับเกิดแล้วตายไหนน่ากลัวกันพวกอุเฉทิฏฐิบอกตายแล้วเกิดนี่สิดีไม่น่ากลัวเลยพวก Hmm. ที่บอกว่าโอ้ย hey, oh วาตานี e ่มันทุกมีโทษเลอะเกินเนี่ยนะกลัวเลอะเกินตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยนะขณะรายละเอียดเกี่ยวกับตายแล้วเกิดพระองค์ก็จําแนกว่าสัตว์ที่เกิดเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดเลวอย่างนี้ดีนะสัตว์ที่ได้ดีตกยากมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามเสวยสุขเสวยทุกหน้ที่นั้นๆพระองค์ก็รู้หมดนะ เชื่อว่ารู้จูตูปปาตายานจูตูปปาตายานก็คือกัมมูปะฆาญเ น, นีกลุ่มเดียวกันเสร็จแล้วยานสุดท้ายก็คืออาสวัคยายานเนี่ยนะอาสวัคยายานก็คือการรู้อริยสัจโดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังนิวนี้ทุกนะการตรัสรู้ทศพลายานทั้งหมดเนี่ยนะทั้ง10ข้อที่กล่าวไปชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นไปตามความเป็นจริงโดยอย่างรู้ถึงอารมณ์ ตามที่เป็นของตนโดยไม่ผิดพลาดและโดยยังประโยชน์ตามที่ประสงค์ให้สำเร็จสมดังพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่าตถาคตย่อมรู้ฐานะที่ควรโดยเป็นฐานะที่ควรฐานะที่ไม่ควรโดยเป็นฐานะที่ไม่ควรในโลกนี้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็ข้อความเหล่านี้ก็มีอยู่ในมหาสุญญ า, าสูตรเป็นต้ น, อ น, นขอโทษมหาศีหนาสูตรเออเชื่อสูตรยังผิดอีก ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะมาถึงคือบรรลุญาณอันทองแท้ด้วยอำนาจปัญญาพิเศษอันไม่ทั่วไปแก่ชนอื่นเนี่ยนะไม่มีใครที่จะมีปัญญาพิเศษขนาดนี้หรอกแล้วก็ปัญญาเหล่านี้เป็นประเภทหาที่สุดมิได้หาปริมาณมิได้มียานเป็นเครื่องทำความแจ่มแจ้งสติประานสัมมปทาน เป็นต้นตามที่กล่าวมาแล้วเหมือนบรรลุด้วยพยานเหล่านี้จริงๆมีอย่างอื่นอีกนะแต่ที่ ท, ที่ยกมากล่าวเนี่ยกล่าวพอเป็นตัวอย่างใช่ไนี่ตัวอย่างมีอะไรบ้างที่ ท, ที่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่มีพยานอันทองแทรู้โดยทองแท้นี่นะยานที่ยกมาเป็นตัวอย่างเหล่านั้นก็คือก้อนแรกอริยมรรคยานอริยมรรคยานที่ตรัสรู้อริยสัจอันนะที่สองยานอันอะไรอะไรไม่กระทบกระทั่งในการสาม ปฏิสัมพิทาสเวสารชยานสี่ยานที่กําหนดคติห้อาสาธารณัยาณ6กยานที่แจ่มแจ้งในโทษชงเจ็ดยานที่แจ่มแจ้งในมักแปดยานในอนุปุพะวิหารสมาบัติกทศสพลยานสิบแล้วก็สติประธานสัมมาประธานเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเอาพอเป็นตัวอย่างก็พอเนี่ยนะคือถ้าสําหรับผู้ที่เขาทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วเนี่ยนะได้แนวทางขนาดนี้รู้เลยว่าวิธีเจริญพุทธคุณนี่เจริญได้อย่างไรที่เรียกว่าสามารถเจริญได้อย่างทั้งวันทั้งคืนเป็นต้น ท น, นบางท่านเนี่ยสามารถอยู่กับพุทธคุณได้ทั้งวันเลยนะบอกว่าใจของท่านเนี่ยเขาบอกว่ากายของท่านอยู่ห่างจากพระกายของพระองค์ก็จริงแต่ใจของท่านไม่เคยห่างจากพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านเห็นอะไรรับรู้อารมณ์อะไรก็เจริญพุทธานุสติได้หมดเลย รับอารมณ์ทุกเรื่องทุกอย่างเจริญพุทธานุสติเนื่องจากว่ามีความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องญาณนะทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีญาณนะหาที่สุดไม่ได้มีพระยานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอะไรบ้างไม่เป็นอารมณ์ของญาณแต่ที่สำคัญชื่อญาณยังจำไม่ค่อยได้นี่สิมันลำบากใจตรงนี้นะไม่รู้จะเจริญญาณว่าอย่างไรนี่ตถาคตตถาคตในยะที่4ี่เลย ทศาคตฐนยะที่4เพราะอะไรเสด็จไปโดยท่องแท้พระพุทธเจ้าเสด็จไปท่องแท้เนี่ยไปอย่างไรก็คือเกี่ยวกับการไปอย่างท่องแท้ก็หนึ่งการประสูตรสองการตรัสรู้าการบัญญัติพระธรรมวินยัย สอนุปาทิเสสนิพานธาตุใดของพระผู้มีพระภาคเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับการตรสัสประสูตรัตรสรู้การบัญญัติธรรมวินัยตลอดจนถึงอนุปาทิเสสนิพานธาตุของพระองค์เนี่ยเป็นเป็นการถ่องแท้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เป็นอย่างอื่นเลย น, นะอนธิบายอย่างไรอธิบายไว้ว่าความตรัสรู้อันพระโล ก, ก น, นาทรงปรารถนาเฉพาะแลว้ว พระพุทธเจ้านี่ปรารถนาการตรัสรู้ใช่ไหมพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อการตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์ของการตรัสรู้คืออะไรก็คือตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นนะนะเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะให้สําเร็จประโยชน์นั้นโดยส่วนเดียวและไม่กล่าวประโยชน์นั้นทั้งหมดให้คลาดเคลื่อนเพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันไม่ผิดแพ้ นนะประโยชน์เหล่านั้นก็คืออะไรบ้างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งเน้นพิเศษคือประโยชน์อย่างยิ่งจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเหตุความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งปวงเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็เช่นบำเพ็ญบารมี30ทัตจนถึงจนถึงชาติที่เป็นพระเวสสันดรตายจากพระเวสสันดรเกิดที่ไหนดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอายุเท่าไหร่ 5้าเจ็ดหกก็ห้าเจ็หล้านปีนะตั้งกับพระเวสสันดรนะอยู่ดุสิตนะอยบล้านปีพอครบอายุห้า้เจ็หล้านปีก็เกิดเสียงพุทธกูลาหนขึ้นเทวดาในหมื่นจักรวาลเข้ามาประชุมกันคือเกิดกูลาหนขึ้นว่าจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะก็ดูว่าเทพบุตรองค์ไหนที่จะตรัสรู้ก็เห็นเลยที่เราคุ้นเคยเรียกว่า สันดุสิทธิเทพบุตรหรือเสตุเกตเทพบุตรในองค์เดียวกันก็เลยเทย ว, วดาก็เลยเข้าไปหา เ, าเสตุเกตหรือสันดุสิทธิเทพบุตรเข้าไปหาพร้อมกันแล้วก็กล่าวทูลอาราธนาว่าก า, กาโลยันเตมหาวีระอุปัชฌามาตุกุชยังเสเดวังกางตารยันโตพุทธสุอะมะตังประทงังนะกันมหาวีระนะบาลีว่ามหาวีระข้าแต่พระมหาวีระ กาโลยันเตนี้เป็นการอันสมควรออปปัชามาตุกุชยังโปรดอุบัตในพระคันของมารดาสเทวกังตารยันโตอย่างโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพุ้ชัสุอมตะตังประทังเพื่อตรัสรู้อมะตะบทก็เลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระโพธิสัตว์เนี่ยมาสู่คันใช่ไหมเมื่อเกิดในคันแล้วทาไมเกิดในคันแล้วก็จะได อย่างโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามแต่จะข้ามได้ก็ต้องตรัสรู้อมตะบทก่อนตรัสรู้อมตะบทแล้วก็สามารถอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากวัตตะทีนี้พระองค์ก็เรียกว่าเกิดบุพพานิมิตขึ้นนะนะจริงก็ต้องก่อนที่จะรับอาราธนาพระองค์ก็ตรวจ ด, ดูมหาวิโลกณะ5ประการเป็นการตรวจ ด, ดูที่ใหญ่มากเลยตรวจตรวจดูว่า บัดนี้เนี่ยเราจักอุบัติในกำเนิดมนุษย์เพื่อตรัสรู้การจุดปฏิสนธิของพระองค์เนี่ยในวันไหนวันอาสาลหะปุณณีวันอาสาะหะปุณาาปณีเนี่ยทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหามายาเทวีในสกยราชกูลอันเทวดาและมนุษย์บริหารด้วยการบริหารอันยิ่งใหญ่ตลอด10เดือน ประสูติในเวลาปัจจุสมัยวิสาขะปุณมี น, นะตอนเช้ามืดของวันวิสาขเนี่ยนะวันสิบห้าค่ำสิบห้าขั้นวิสาขะพระองค์นี่ประสูตรตัสรู้นิพพานวันเดียวกันใช่นั้นทำบุญวันเดียวสามอย่างเลยไม่ต้องไปหาวันให้เมื่ อ, อยใช่ไหมชอบมากลักษณะเนี่ยนะดีว่าพระองค์ไม่โ อ, อวาทปาฏิโมกวันวิสาขาด้วยนะจะได้ทีเดียวเลยนะ โอ้หยหลายวันมันดีแล้วจะได้ทำบุญได้บ่อยๆนะนึกถึงว่าถ้าเราบะทำบุญน้อยๆเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรใช่ไหมก็จริงก็มีรายละเอียดมีประเด็นทำบุญเยอะๆอ่ะมันดีนะเขาหาเหตุที่จะได้ทำบุญกันทั้งนั้นแหละพูดถึงขณะบุพพานิมิตเกิดขึ้นขณะที่พระองค์ประสูตรขณะที่พระองค์ประสูตรนี้มีบุพพานิมิตปรากฏอยู่32สองประการ เหมือนขณะที่ทรงปฏิสนธิตอนปฏิสนธิมีบุพนิมิตสาสองอย่างไรตอนประสูตรก็มีบุพนิมิตสาสองประการฉันนั้นบุพนิมิตสามสองมีอะไรบ้างคือโลกหมื่นโลกธาตุนี้วันไหวสะเทือนเลือนลั่นนะรัศมีหาประมาณไม่ได้แผ่ไปในหมื่นจั ก, กรวาลคนตาบอดแต่กําเนิดกลับได้จักสูเหมือนคนปรารถนาจักชมพระโฉมของพระองค์มันก็ว่าจัก จากสเกิดอยู่แว บ, บเดียวนะแล้วก็บอดต่อคนหนวกก็ได้ยินเสียงคนใบ้ก็พูดได้คนค่มก็เดินตรงคนง่อยก็เดินไปได้สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจําก็พ้นจากเครื่องจองจํามีคือขาเป็นต้นไฟในนรกก็ดับหมดนะดับเพรึบเดียวแนละ้วแล้วก็ลุกต่อความหิวกระหายในเปรตวิสัยก็สงบแล้วก็หิวต่อเนี่ยนะพวกเดรัจฉานก็ไม่มีภยัยโรคของสัพพสัต ว, ตวก็สงบหายป่วยชั่วพักหนึ่งสัรพสัตว์พากันกล่าววาจาที่น่ารัก มาร้องด้วยอาการอันไพเราะพวกช้างพากันกระหึ่มนะร้องเหมือนนกกระเรียนนะนะดนตรีทั้งปวงก็เปล่งเสียงบรรเลอลั่นเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเครื่องอาภรณ์ที่สวมใส่ในมือเป็นต้นของมนุษย์ไม่กระทบกระทั่งกันเลยก็มีเสียงด้วยอาการไพเราะกําไรนี่ไม่กระทบกันแต่ส่งเสียงได้อทิศ ท, ทั้งหมดก็แจม่มใสแสดงว่าเป็นอะไรนะทิศ ท, ทั้งหมดแจ่มสนี่เป็นเป็นมงคลสมัยอ่ะนะว่างั้น ล ม, ลมเย็นๆก็พัดอ่อนๆให้ปวงสัตว์ได้รับความสุขฝนตกในเวลาไม่ใช่ฤดูกาลน้ำพุ่งขึ้นจากแผ่นดินไหลไปฝูงปักษีคือนกงดบินไปในอากาศแม่น้ำก็หยุดไหลน้ำในมหาสมุทรก็มีรสอร่อยเมื่อพระอาทิตย์ปราศจากความมัวยังปรากฏอยู่นั่นแหละความโชคช่วงทั้งปวงในอากาศก็สว่างสวัย เทวดาทั้งปวงที่เหลือและสัตว์นรกทั้งปวงนอกนี้เว้นเทวดาชั้นอรูปอรูปประพบนะก็ได้ปรากฏรูปร่างต้นไม้ฝาเรือนบานประตูและเขาศิลาเป็นต้นไม่มีอาการปกปิดหมายให้ว่าโอ้ยมองทะลุปร่ปปรงไปหมดเหล่าสัตว์ไม่มีการจุติและอุบัติขณะนั้นอ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตายแล้วก็ไม่เกิ ด, ดเรียกว่าโลกมันหยุดพักหนึ่ง น, นนะหยุดจุติปฏิสนธิอยุ่พักหนึ่ง น, น กลิ่นทิพฟุ้งขจรกรบ ก, กลิ่นที่ไม่น่าปราททั้งปราถนาทั้งหมดเสียได้ต้นไม้ที่ผลิต ด, ดอกออกผลทั้งหมดก็ติดผลสะพรั่งมหาสมุรได้มีพื้นดาราดาดไปด้วยดอกประทุมห้าสีเบญจวรรณก็คือห้าสีมีประโยชน์ในที่ทุกสถานทีเดียวบุพชาติคือดอกไม้ทั้งหมด ท, ทั้งที่เกิดบนบกและในน้ำเป็นต้นก็บานสพรั่งดอกไม้บานไม่ต้องเร่งปุ๋ยเลยวันนั้น บรรดาต้นไม้ทั้งหลายขันธัพปฐุมก็คือกองบัวก็บานสะพรั่งที่ต้นขันทาก็คือบัวที่บั ว, กวกบานที่ต้นะนะสาขาปฐุมก็บานสะพรั่งที่กิ่งสาขาก็กิ่งละดาปฐุมก็คือบัวเถาวะนะบัวเถาก็บานสะพรั่งแทรกพื้นหินแผ่นดินขึ้นแตกออกเบื้องบนเป็นชั้นชั้นเจ็ชั้ น, ช, นชื่อว่าขันดาปฐุมเรียกว่าบวั camoufl, บว <_ pp ler> บวั <ed> <_ backwards, S 1> บวบัวบัวชั้นนะ บัวในอากาศก็บังเกิดดอกประทุมห้อยย้อยลงมาฝนไม้ดอกก็ตกโดยทั่วไปในอากาศมีดนตรีอันเป็นทิพย์บรรเลงหมือนโลกธาตุทั้งสิ้นมีระเบียบเป็นอันเดียวมีวาลวีชนีพัดผันก็คือพัดนะนะตลบไปด้วยกลิ่นดอกไม้และกลิ่นธูปถึงความเลิศ ด, ด้วยความงดงามอย่างยิ่งเหมือนกล่มพวงมาลัยมาลาที่เขาคลี่แวดวงเอาไว้ เหมือนกองมาลาที่เขาห่อมัดเอาไว้เหมือนอาสนะดอกไม้ที่เขาประดับตกแต่งเอาไว้นี้ก็เป็นบุพพนิมิตเหล่านั้นได้เป็นนิมิตของผู้บรรลุคุณธรรมพิเศษเป็นอเนกที่บรรลุธรรมชั้นสูงการเกิดขึ้นเฉพาะนี้ประดับไปด้วยความปรากฏน่าอัศจรรย์มากมายอย่างนี้แหลอันเป็นประโยชน์ที่พระองค์ทรงดำรงอยู่โดยเฉพาะได้ชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะสําเร็จ อย่างแท้จริงแห่งอภิสัมภูธิยานบุพนิมิตเครื่องหมายทั้งหลายที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นบุพนิมิตบอกเหตุการณ์อะไรที่จะมีต่อไปข้างหน้าเยอะแยะไปหมดเลยจากรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดลักษณะเลื่อนลอยอนหนึ่งสมัยเหล่าใดขออภัยอหนึ่งสัตว์เหล่าใดเป็นพุทธเวไนพุทธเวไนก็คือเป็นพวกที่พระพุทธเจ้าสอน น, นะนะ เป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้จะตรัสรู้ทั้งหมดนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําด้วยพระองค์เองอย่างสิ้นเชิงใครที่ควรได้รับการสงเคราะห์ใครที่ปรารถนาเพื่อการตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะโปรดได้ผู้ที่เป็นพุทธเวไนยอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าโปรดได้หมดเลยเนะบางคนเนี่ยนะไม่ได้นะบนรรลุจากคนอื่นไม่ได้ต้องบรรลุจากพระพุทธเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะนะทั้งใครที่ ปรารถนาแบบนั้นก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฟังจากผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องจากพระพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนนั้ในส่วนใดผู้ที่ตั้งปรารถนาตั้งความปรารถนาตั้งอัธยาศัยที่บรรลุจากพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุจากพระพุทธเจ้าหมดเฉพาะที่ที่พอจากบรรลุได้ในสมัยนั้นนะกิจอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงครอบพุทธเวนยัยกิจเหล่านั้นพระองค์ทําอย่างสิ้นเชิง นั้นผู้ที่จะบรรลุเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทาให้บรรลุได้หมดแล้วส่วนสัตว์เหล่าใดเป็นสาวกเวไนยและเป็นธรรมะเวไนสัตว์แม้เหล่านั้นอันสาวกเป็นต้นแนะนําแล้วย่อมถึงและจักถึงซึ่งการนําไปให้วิเศษไปได้หมายคือว่าบางคนเนี่ยต้องบรรลุเพราะสาวกสอนอย่างภิกษุณีกลุ่ม ลูกศิษย์ของพระนางประชาบดีโคตมีนั้นต้องให้พระนันทะกะสอนจึงจบับบรรลุภิกษุบางกลุ่มต้องให้พระมหาขปีณะสอนจึงบรรลุเทวดาบางกลุ่มต้องให้พระสารีบตรเป็นต้นแสดงจึงจักบรรลุกลุ่มที่สาวกสอนบรรลุอย่างนี้เรียกว่าสาวกเวไนาบางพวกรุ่นรุ่นนี่รุ่นใช้จดหมายอ่านพระไตรปิฎกแล้วปฏิบัติเองจึงบรรลุพวกนี้เป็นเป็ น, ป, นประเภทธรรมเวไนะ เพื่อประโยชน์ใดสรุปเวไนตรงนี้เขาแบ่งเป็นสนะพวกที่จะบรรลุได้นหะนึ่งพุทธเวไนสองสาวกเวไนสธรรมะเวไนสมัยหมายไว่ว้พระธาตุก็เรียกว่าธาตุเวไนพระธาตุไม่ได้สอนออกแต่เป็นวาสนาให้ตราสรุ่อไป เวนัยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะที่พระองค์ประโยชน์โปรดเพื่อประโยชน์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาเฉพาะอภิสัมโพธิยานเพราะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จโดยแท้จริงพระอภิสัมโพธิยานจึงเป็นคุณที่ถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นดังนั้นการตรัสรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นการตรัสรู้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์และก็เป็นการตรัสรู้ที่ช่วยสัตว์ได้อย่างแท้จริงไม่ผิดพลาดไม่กลายเป็นอย่างอื่น แปลว่าสมความปรารถนาของพระองค์ทุกประการพระพุทธเจ้าปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งปวงการปรารถนาของพระองค์เนี่ยนะจวบมาจนถึงวันนี้ชื่อว่าสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยทุกประการเชื่อว่าถึงความสวัสดีโดยประการทั้งปวงเลยนะเฉพาะงานของพระพุทธเจ้านะ นะส่วนรุ่นตกค้างก็แล้วแต่แต่ว่ากิจของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีบกพร่องจริงๆพระองค์ทากิจของพระองค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีผิดมีพลาดเนีย่ยนะเป็นไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปได้อ่า เ, อเป็นไปอย่างเป็นไปอย่างดีเลยแหละนั้นแสดงว่าการตรัสรู้ของพระองค์นี่ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์สรพสรพสัตว์ได้เยอะแยะจริงๆนั่นนะของเราทั้งหลายอาจจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอีกก็ได้ใช่ไหม ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยรีบร้อนจับพระพุทธเจ้าองค์นี้สักเท่าไหร่บางคนขอมาว่านะยังไงยังไงก็เรียกว่าขนเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าไปให้หนักๆ ก, ก่อนนะนะค่อยว่าอทีหนึ่งเพราะว่าอีกนานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆจะมาตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดขนเอาปัญญาบารมีของพระองค์ไปให้เยอะๆเนี่ยนะเอาศีนบารมีจากพระองค์นะเพราะพวกศรัทธาศีนเป็นต้นพระผู้ของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นรัตนะที่เอาไว้ใช้ในพบต่อต่อไป เถึงเราไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะอะไรจากพระองค์ก็ขอให้ได้แบ่งทรัพย์ที่จะไว้ใช้ต่อไปในวัฏตะจะได้ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะอย่างน้อยก็ให้มันเดือดร้อนน้อยกว่านี้หน่อยหรืออย่างน้อยก็เท่านี้ก็ยังดีใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าได้เท่าเก่าก็ยังดีเขาว่างั้นอะไรเท่าเก่าพอไหมปัญหาว่าชาติหน้าไม่ได้เท่าเก่าง่ายๆหรอกเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแหละมันไม่ได้เหมือนเก่าทุกเรื่องหรอกเนี่ยนะ yeah, no, no, no. <laughs> แต่ขอมาดูว่าโลกทั้งโลกแนวโน้มจะเป็นลักษณะนั้นแนวโน้มของโลกยุคต่อๆไปเนี่ยแย่กว่าเก่านะแต่คนมีบุญเขา้าเข้าไม่เลือกมาเกิดยุคหน้าก็ได้นะาจาจะนานๆต่อไปเขาค่อยลงมาใหม่อย่างนีหรือเปล่ า, านะมีบุญสอย่างนั้นะอีกอย่างหนึ่งสภาวะใดๆแห่งยยธรรมทั้งหมดใดๆเนี่ ย, ยอันสัตว์พึง ตรัสรู้สภาวะธรรมที่เป็นญาตธรรมเช่นมรรคผลเป็นต้นที่สัตว์พึงตรัสรู้สภาวะนั้นชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ยิ่งแล้วโดยสิ้นเชิงอย่างไม่ผิดแผกด้วยพระยานของพระองค์เนื่องด้วยเหตุเพียงทรงรำพึงถึงเหมือนผลมะขามป้อมวางไว้ที่ฝ่ามือนะสิ่งอื่นสิ่งใดๆที่พวกเราทั้งหลายรู้เนี่ยนะสิ่งที่สัตว์ทั้งหมดรู้เนี่ยพระองค์นึกแค่นึกถึงก็รู้หมดเลย แม้เพราะเหตุนี้อภิสัมโพธิยาณของพระองค์จึงชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นโอ้โหสัพพัญยุตยานเป็นต้นของพระองค์การรู้ยิ่งของพระองค์เนี่เป็นการรู้ที่แม่นยำ ม, มากไม่มีผิดพลาดเลยอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูประการแห่งธรรมะเหล่านั้นที่จะพึงแสดงโดยประการนั้ น, น, นคือตรวจดูหมวดธรรมทั้งหมดที่จะแสดงน่ยนะ และอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอนุสัยของสัตว์จริยาของสัตว์อธิมุตของสัตว์นั้ น, น, นโดยชอบทีเดียวทีนี้เวลาพระองค์แสดงธรรมก็ไม่ละเลยธรรมดาไม่ล่วงเลยนัยแห่งบัญญัติและเหตุเพียงบัญญัติกระทําธรรมดาให้แจ่มแจ้งทรงอนุสาตรตามความผิดตามอัธยาศัยและตามธรรมแสดงธรรมตามความผิดนั้นเป็นประกาศอะไรพระวินยัยพระวินัยนี้แสดงตามความผิด พระสูตรแสดงตามอัธยาศัยอภิธรรมนี้แสดงตามพระธรรมเนี่ยนะจึงแนะนําเวนยศัตว์ให้บรรลุอริยภูมิพันธการแสดงการบัญญัติพระธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยจึงเชื่อว่าไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะประโยชน์นั้นสําเร็จและเป็นไปตามความจริงเป็นไปตามความจริงเพราะว่าเป็นคําสอนที่กําจัดความเมาคือราคะเป็นต้นได้อย่างแท้จริง มันสรุปท่านอยากบอกว่าธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงความแท้นะธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเอามาบอกประกาศเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้แท้จริงธรรมวินัยที่ผู้ปฏิบัติตามเนี่ยนะครบถ้วนสมบูรณ์ธรรมวินัยนั้นเรียกว่าศสกขาเรียกว่าศาสนพรหมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์เหล่านี้ถ้าครบถ้วนสมบูรณ์เรียกว่ามัคคภรมจรรย์เนี่ยนะเป็นความประพฤติประเสริฐ มัคคพรมอาจารย์นั้นอย่างลงสู่อะไรอมตะมหานิพพานธาตุอย่างลงสู่อมตะมหานิพพานธาตุอมตะมหานิพพานธาตุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุแล้วโดยลําดับเป็นธรรมะที่พ้นจากสภาวะแห่งรูปนิพพานนี้ไม่ไม่ใช่รูปใช่ไหมเมื่อไม่ใช่รูปจึงไม่ใช่ปัตวีอาโปณนะปัตวีณนะอาโปเตโชวาโย ο. ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเลยและ นิพพานธาตุไม่มีสภาวะแห่งอรูปเพราะอะไรเพราะนิพพานมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรียเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีเพราะว่านิพพานเนี่ยไม่ประกอบด้วยนามธรรมทั้งหลายนิพพานนั้นล่วงเลยเสียซึ่งสภาวะของโลกไม่มีรูปณะลักษณะไม่มีลักษณะที่เป็นอนิจจังเป็นต้นเพราะไม่มีภาวะคือความหลอกลวงพระนิพพานเนี่ย ไม่มีสภาวะแห่งความหลอกลวงชื่อว่าไม่มีปัจจัยอะไรอะไรทำให้สว่างเพราะพระนิพพานนี่ไม่ได้มีความมืดพระนิพพานนี้ปราศจากภาวะแห่งคติเป็นต้นเพราะไม่มีโอภาษแสงสว่างพระนิพพานนี้ไม่มีที่ตั้งอาศัยอนารมณะนิพพานนี่ไม่ได้รับรู้อารมณ์อะไรอะไรเลยไนไะท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสะเพราะอุปาทิกล่าวคือขันธ์มาดว่าส่วนเหลือไม่มีอยู่ ซึ่งพระองค์หมายแล้วก็ตรัสไว้ว่าตรัสไว้ไหนพี่เจงถ้าดูในนิพพานสูตรน่ยนะนิพพานสูตรนิพพานสูตรหน้า7จ็อนั่นแนหะหน้าเจ็อก็เนื้อความเหมือนกันว่าอายตนะมีอยู่อายตนะคือนิพพานเนี่ยมีอยู่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในที่ที่ไม่มีปฐวีอาโปเตโชวาโย ο, อากาศสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองก็ไม่มีเงาแยกเลยนะเอาไม่ลงเงาแยกเงาหรือเปล่าไม่ทราบนะก็คิดดูสิโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีก็บ้ห่วงโลกนี้ห่วงโลกหน้าอะไรแล้วจึงเดือดร้อนสรุปว่าอายตนะคือนิพพานไม่ได้มีดังกล่าวแล้วดูก่อนที่สูตทั้งหลายเราไม่กล่าวที่นั่นว่ามีอาคติ อาคตินี่แปลว่าการมาคติคือการไปนิพานไม่ใช่ลักษณะทิติคือตั้งอยู่นิพานไม่เป็นจุติไม่เป็นอุบัติคือการเกิดนั่นไม่เป็นที่ตั้งอาศัยเป็นไปไม่ได้อนาระมาณะไม่ได้นิพานไม่รู้อารมณ์นั่นเป็นที่สุดแห่งทุกขนะที่สุดแห่งทุกคือนิพานอมตะนิพานธาตุนั้นถึงความดับศูนยแห่งอุปาทานขันธ์ทั้งหมดศูนย์จากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่มีขันธ์ห้าไปแทรกเลย เป็นสภาวะสงบสับพพะสังขารนิพานน่สงบจากสังขารทุกชนิดนิพานนั้นเป็นสภาวะสละคืนอุปาทิกิเลสทั้งปวงอุปาทิคือขันเนี่ยนะกิเลสไม่มีส่วนเหลือนิพานนั้นเป็นที่สงบทุกทั้งปวงนิพา น, นเป็นที่ถอนอาลัยทั้งปวงนิพานนี้นเป็นที่ขาดแห่งวัตฏะทั้งปวงนิพานนั้นมีความสงบอย่างแท้จริงเป็นลักษณะ สันติลักขณังเนี่ยนะเป็นความสงบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอมตะมหานิพานธาตุนั้นชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวสภาวะตามความเป็นจริงให้คลาดเคลื่อนในการในไห น, ไหนพระองค์ชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปเสด็จเข้าถึงบรรลุดาเนินเสด็จถึงอย่างทองแท้ซึ่งอมตะนิพานธาตุซึ่งมีอภิชาตเป็นต้นด้วยประการชนี นะเพราะพระองค์นี้เข้าถึงแทงตลอดรู้จักอมตะนิพพานธาตุแล้วก็ยังเอาอมตะนิพพานธาตุนั้นมาบอกกล่าวประกาศสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ได้ตรัสรู้เพราผู้ที่ตรัสรู้อมตะนิพพานธาตุตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ไม่รู้เหลือรุ่นเราตกค้างมาได้ยังไงจริงเรียนขนาดนี้มันน่าจะได้รู้บ้างเนะเอาก็รู้เท่าที่เรียนทีแลก นี่มาดูตถาคตที่ห้าเลยนะตะถาคตเนยะที่ห้าที่ชื่อว่าตถาคตเพราะมีความทองแท้ทองแท้แท้แค่ไหนตถาเนี่ยโดยสับแปลว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นเนี่ยหมายถึงทองแท้เนี่ยนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีประการเป็นอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นี้ก็มีประการเป็นอย่างนั้น แกลง่ายๆว่าเหมือนพระพุทธเจ้าพอองค์กรๆทุกอย่างไอ้ทุกอย่างเนี่ยก็มีข้อเว้นอ่ะนะแต่หมายถึงว่าสรุปว่าในความเป็นพุทธคุณเป็นต้นไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าก่อนๆท่านกล่าวอธิบายว่าอย่างไรอธิบายโดยย่อท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าอธิบายแบบย่อๆกันนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นมีประการอย่างไรคือมี ประการไม่ว่าจะเป็นมรคศีลผลศีลโลกิยะโลกุตระศีลแม้ทั้งหมดโดยประการใดนะพระพุทธเจ้าก็มีศีนแบบพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดเลยสีลเนี่ยมีสีนในมรคศีน์ในผลสีนที่เป็นโลกิยะสีน์ที่เป็นโลกุตระพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มีอย่างนั้น มัคคสมาธิสัสมาธิในมัคสมาธิในผลโลกิยะสมาธิโลกุตตระสมาธิพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีประการใดๆพระพุทธเจ้าของเราก็มีประการอย่างนั้นปัญญาก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปัญญาในมัคปัญญาในผลโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีปัญญาเช่นใดพระพุทธเจ้าของเราก็มีปัญญาเช่นนั้นสมาบัติสมาบัติ ที่ที่ใช้ประจําวันวันละสองล้านสี่แสนโกดปกติประจําวันนะพระพุทธเจ้าองคกอ์ก่อนใช้อย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้พระสมาบัติเท่านั้นวันละสองล้านสี่แสนโกดเนี่นะยไว้วมากเนะ น, นี่ยนคือเนื่องด้วยอาวัชนะนะนึกเข้าอะไรก็เข้าได้หมดเลย หรือไม่ว่าจะเป็นตะทางข่วิมุตต์วิมุตห้านะตะทางข่วิมุตติวิขำพนาวิมุตต์สมุทเชทวิมุตต์ปฏิปัสสัตที่วิมุตตินิสรณะวิมุตต์แหะนะสมถะวิปัสนามัตถผลนิพพานเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีโดยประการใดวิมุตต์เหล่านี้ก็มีในพระพุทธเจ้าของเราโดยประการนั้นแต่เมื่อว่าโดยพิสดารด้วยคุณแห่งพระสัพพันธ์อยู่ทั้งสิ้นเมียอนุภาพเป็นอาจินไต พุทธคุณทั้งหมดเนี่ยใครจะไปตามและลึกนึกได้หมดเนาะอากาศนี่ใครจะไปตามดูอากาศได้หมดอ่ะใครดูอากาศได้หมดบ้างอา่ะอสงขไข่เนี่ยนะสิ่งที่นับไม่ได้มีอยู่กี่อย่างนะสี่อย่างไงอสงข์ไข่สิ่งที่นับไม่ได้ น, ไไดนับไม่ได้เลยหนึ่งอากาศใครจะไปตามดูอากาศได้หมดเรื่องนะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกอุย้ยมันมีดาวดวงหนึ่งห่างจากโลกนี้เก้าสิบสองล้านปีแสง ไ้แสงหนึ่งวินาะทีหนึ่งแสงก็ไปแต่เยอะแยะไปหมดแล้วใช่ไหมนาทีหนึ่งแสงเนี่ยได้ไปตั้งเป็นแสนกิโลแล้วอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันเก้าล้านปีแสงอย่างเงี้ยนะเกาบสล้านปีแสงบางทีก็บอกพันห้ารอล้านปีแสงถามว่ามันหมดหรือยังบอกยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตอ้เริ่มต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนะในโลกระดับที่เรียกว่าระดับอนันตจักรวาลเป็นต้นเนี่ยนะมันไม่มีจบมีสิ้นเลยนะเพราะมันคุยกันเป็นพันพันล้านปีแสงเนี่ยนะมันไกกันขนาดนั้น อากาศนี้จึงไม่มีที่สุดสองจักรวาลก็ไม่มีที่สุดเมื่ออากาศไม่มีที่สุดและจักรวาล่สุดที่ไหนจักรวาลนี่จบอยู่ตรงไหนจักรวาลนี่มีเท่าไหร่มีใครนับได้ทีนี้แล้วสัตว์ที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยควรจะมีสัตว์เท่าไหร่เพราะสัตว์มีชีวิตไม่ได้มีอยู่เฉพาะโลกเราที่เดียวนะมีในจักรวาลอันหาประมาณไม่ได้หนึ่งอากาศใช่ไหมสอจักรวาลสมสัตว์สิ่งทั้งหมดพระพุทธเจ้ารู้หมดเอาเมื่อพระพุทธเจ้ารู้หมดเนี่ย พระสัพพัญยุคุณธรรมคือความรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอจินไตที่เรียว่าคิดยังไงก็คิดตามไม่หมดเป็นพระพุทธเจ้าก่็ น, นั่นแหละจึงจะคิดตามถูกต้องถ้าไม่เป็นก็ได้แต่ไว้กราบเชิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาณนะโมตสะกว่าไปขอนอมน้อมแต่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้มีปัญญาใหญ่ล้วงก็วาไปะไวเจริญพุทธานุสติ เพราะฉะนั้นพระคุณทั้งหมดเหล่านี้หาที่สุดมิได้ประมาณมิได้คือกะคำนวณไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนเป็นเช่นใดมีพระคุณดังที่กล่าวไปแล้วอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราแม้นี้ก็มีประการเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านต่างกันห้าประการมีความต่างกันห้าประการต่างกันหอะไรคือความต่างกันเช่นอายุแตกต่างกันพระพุทธเจ้า โกนาคามณะมีอายุเอ้ยเข้าไปพระพุทธเจ้ากากุสันถะโกนาคามณะกัสปะพระพุทธเจ้ากโกนาคามณะเกิดในยุคอายุหกหมื่นปีน ะ, ะนะกลับนี้มีอะไรนะพระพุทธเจ้าอะไรนะทำไมกกุสันถะประมาณห0 0 0ืปีโกนาคามณะสี่0 0ื่ปีกัสปะช่วงสอง0 0ื่ปีของพระพุทธเจ้าของเราตกมาเหลือร้อปีเคลว่าช่วงร้อปีเขามีกติกาอย่างนี้ว่า สมมุติว่ามีแบ่งอายุเป็นห้าส่วนพระพุทธเจ้าจะดำรงอยู่สส่วนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดในสมัยมนุษย์อายุร้อปีเนี่ยพระ อ, องค์จะมีอายุ80ดสปีอันนี้ถือธรรมดาถ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรนะกัสปะเนี่ยมีอายุสอง0 0ื่ปีเนี่ยสองหมื่นปีเอามาหารห้าเลยเท่าไหร่สองหมหารห้าเลยเท่าไหร่เท่าไหรนะ่นี 4ี่พัคูณสี่ก็4ี่สีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีอายุหนึ่งปีอ่า น, นะอายุจริงเนี่ยจะอยู่เท่านั้นจะไม่อยู่ครบเกณฑ์เป๊ะเลยก็คือเรื่อเป็นธรรมดาก็จะอยู่มีชีวิตอ่า น, นะถ้า5ส่วนพระองค์จะมีชีวิตอยู่4ส่วนอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปประมาณแห่งพระศรีระพระพุทธเจ้าบางองค์ก็สูงบางองค์ก็ต่ำบางองค์ก็82 อ, อย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เท่าไร่82หรือสอิบ สรีระก็ต่างกันไปตระกูลพระพุทธเจ้าบางองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์บางองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์ความแตกต่างกันแห่งการบำเพ็ญทุกขารกิริยาพระพุทธเจ้าบางองค์นี้เจวันพระพุทธเจ้าของเราหปีความต่างแห่งรัศมีอย่างพระพุทธเจ้าของเราปกติวานหนึ่งพระพุทธเจ้ามงคลเนี่ยมังคลพะพุทธเจ้าเนี่ยรัศมีเป็นจักรวานอานันนี้ห้าประการนี้แตกต่างกัน อันนะต่างกันหนึ่งเรื่องอายุเรื่องสรีระชาติกูลการทำทุกขกิริยานและรัศมีนี้ต่างกันแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันเลยคือวิสุทธิมีศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิสมถาวิปัสนาพระคุณที่พระองค์ตรัสรูเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้แตกต่างกันเลยไม่มีความแตกต่างกันเหมือนอะไรคือไม่มีความพิเศษกว่ากันและกันเหมือนทองคําที่หักตรงกลาง ทนะองคําที่หักตรงกลางเพราะเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนมีประการอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราแม้พระองค์นี้ก็มีประการอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระน า, า, ามวาตถาคตเพราะมีประการเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคืออย่างไหนอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทุกประการเลยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเป็นอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนนั้นั้น พระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่เหลือก็ขยายศัพท์ว่าคําว่าตถาคตเนี่ยนะส่วนต่อไปนะในยะที่6ชื่อว่าตถาคตเพราะอัตถาว่าดําเนินไปโดยประการนั้นถ้าตถาคดเนี่ยดำเนินไปอย่างนั้นนะเดินไปอย่างไรคือพระองค์ชื่อว่าตถาคตเพราะมีความเป็นไปทางกายวาจาและใจน่ยนะ กายวาจาใจอันไปเป็นที่ไปเป็นการเสด็จไปโดยประการตามที่พอพระไทยกายวาจาใจของพระองค์เนี่ยเป็นไปตามความต้องการของพระองค์ทุกประการเพราะไม่มีความกระทบกระทั่งในอะไรอะไรแห่งความเป็นไปทางพระกายเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอะไรมาติดขัดทางกายวาจาและใจของพระองค์เหตุที่พระองค์นี้ประกอบด้วยอิทธานุภาพ นะมีอนุภาพที่เป็นฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นฤทธิ์ที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเพราะเหตุที่พระองค์นี้บำเพ็ญบารมีบรรลุถึงพระบารมีที่สูงสุดแห่งปฏิสัมพิทาขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีปฏิสัมพิธาเช่นอัฏฐปฏิสัมพิธาเป็นต้นและอีกเหตุหนึ่งก็ที่ทําให้พระองค์เป็นอย่างนั้นได้เพราะพระองค์มีอนาวรณญาณเพราะนั้นกายวาจาใจของพระองค์นี้จึงเป็นไปได้ไม่ติดไม่ขัด แต่ก็น่ามีข้อความในมหาปริญนิพพานสูตรเนี่ยนะบอกว่าไปตักน้ำมาเถอะเราเหิวอันนั้นประกาศถึงอะไรบอกควรแก่การสังเวชแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอย่างนี้ก็ยังสังขารก็ยังเป็นอย่างนี้นะท่านใครที่ไปอ่านมหาปริญนิพพานสูตรนี่เขาได้มหาสังเวชอย่างใหญ่เลยนะว่าขนาดผู้บําเพ็ญบุญมาขนาดนี้ผู้มีบุญเช่นนี้ยังเป็นเช่นนี้เลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงเราทั้งหลายนั่นนะ งั้นเราทั้งหลายก็ได้แต่เลื่อมใสได้แต่เคารพกราบไหว้บูชานับถือเขาอมาว่าดีใจแล้วที่เราได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะเพราะว่าศรัทธาที่จะมีในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้โดยง่ายานะพุทธรัตนะเนี่ยท่านบอกว่ารัตนะเนี่ยนะคือของดีของมีค่าไม่ใช่ใครจะประดับได้ง่ายๆใช่ไหมอย่างของมีค่าเนี่ยนะเครื่องประดับทั้งหลายที่มีราคาทั้งหลายไม่ใช่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ประดับหมดเลยไม่ เือว่าเป็นของเฉพาะคนชันใดพุทธรัตนะเครื่องประดับคือพระพุทธเจ้าที่ประดับในจิตของผู้ใดถ้าผู้นั้นไม่ได้สั่งสมบุญมาก็ยากที่จะได้ประดับในพระพุทธรัตนะเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่เราได้เรียนพระพุทธคุณในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะปีใหม่ไทยนะสงกรานนี้ก็ชื่อว่าได้ประดับในพระพุทธคุณเป็นต้นนั้นก็คงประดับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถอดเก็บไปก่อน อย่าอย่างนั้นเลยไปเจริญพุทธคุณต่อเธอแต่ว่าบรรยายช่วงบ่ายนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนด้วยบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงการฟังพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระตถาคตบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้เรามีศรัทธาที่มั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงแทงตลอดโสตาปฏิยังคธรรมทั่วกันทุกท่านอนุมโมทนา